ะจะเริ่มทาวันนี้เราเป็นครั้งที่สองของเรื่องสรรค่าสร้างคนสรรค่าสร้างคนเนี่ยมันต้องสรรจริงๆเพราะาการสร้างคนของโลกนี่นะทั้งโลกเขาก็พยายามสร้างคนทั้งโลกหรอกการศึกษาของ เอาไ้ชนให้การศึกษาแก่ผู้คนอะไรพวกนี้เขาสร้างโลกสร้างคนทั้งนั้นแหละแล้วก็สรรหาวิธีการสรรหาอะไรกันมาสร้างพระพุทธเจ้านี่แหละผู้สร้างคนและท่านทุกท่านสรรหาวิธีการความรู้ระบบอย่างสมบูรณ์แบบไวแล้วเรียบร้อย กว่าจะได้หลักเกณฑ์สมบูรณ์แบบจนกระทั่งมาประกาศแก่โลกนี้ใช้เวลาเตรียมสร้างสูตรทฤษฎีและก็หลักการต่างๆเนี่ยหลายล้านล้านล้านปีที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นการเดาไม่ใช่พูดเล่น เ, นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นใครไม่เชื่อหรือว่าใครไม่เห็นความสำคัญความตั้งใจจริงตั้งพระไทยจริงของพระองค์ก็แล้วไปไม่เชื่อก็แล้วไปแตไปอาอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ที่อาตมาพูดจัางนั้นไม่ใช่พูดอาตมาเดาเพราะอาตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่เรียนรู้เพื่อใให้รู้ทริสตีของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคม ที่อาตมาพูดว่าทิศรีศาสนาพุทธเนี่ยมันรู้เรื่องของสังคมทั้งหมดสังคมจะมีอะไรมีเศรษฐกิจมีรัฐกิจมีกิจอะไรอื่นๆอีกอะไรต่างๆนานาที่มันต้องมาอาศัยใช้ใ อ, อ่และศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่รู้จักโลกไม่ใช่ศาสนาพุทธโง่ ก, กับโลกโลกก็วิทูวิทูเนี่ยวิทูแปลว่าวรู้ รู้รู้จักโลกรู้จักไม่ใช่รู้จักรู้โลกโล ก, โกลมๆนี่ไม่ใช่รู้จักพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมโลกมันทําด้วยกายวาจาใจกันอย่างไรรู้จริงๆ ร, รู้ชัดชัดและรู้จน ก, กระทั่งถึงตัวที่มาทําให้มันพูดอย่างนี้ทำให้มันมาทำกายกรรมอย่างนี้ทำให้ ม, มีพฤติกรรมองรวมอย่างนี้รวมหัวกันอย่างนี้ จนเป็นพลังอำนาจในสังคมกลุ่มนะกลุ่มอเมริกามันทำอย่างงี้ได้เพราะมันมีแนวคิดอย่างงี้มันทำกันมาอย่างี้มันใช้วิธียางงี้กลุ่มประเทศอินเดียมทำอย่างงี้อย่างนนะีกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศไหนมันทำอย่างาอย่างงี้ๆก็เข้าใจยาตาแมนี่นะอาตมาไม่ได้เรียนเลยนะไม่ได้เรียนอเมริกาเขามี รัฐศาส ร, รัฐกิจประชาธิปไตยแบบไหนอังกฤษก็มีแบบไหนจีนมีแบบไหนอินเดียมีแบบไหนอาตมาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเลยแต่อาตมา ก, ก็ดูจากความจริงตามข้อมูลที่อาตมาได้ถ้าอาตมาได้ข้อมูลมากกว่านี้อาตมาจะรู้จักจะรู้จกัจจกพวกนี้ดีกว่านี้อีก สุขธรรมมาใช้ความรู้พวกนี้เข้าใจเข้าใจประเทศที่ว่าอย่างเศรษฐกิจก็ดรีรัฐกิจก็ดีหรือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็เขาก็ดีสังคมศาสตร์ของเขาก็ดีรรดวัฒนธรรมก็เป็นอยู่ยังไงโดยค่ารวมองรวมแล้วก็พอประมาณได้ว่ามันต่างกันยังไงเชิงไหนอย่างนี้เป็นต้นอัตมาไม่ได้เรียนแต่ว่าพอเข้าใจรู้ ตามระสาอาตมาอย่างที่ไปทำกับสังคมเนี่อาตมาก็ได้เรียนอะไรมาได้มาจากศาสนาพุทธเท่านั้นอย่างเราเอามาทำกับสังคมชาวอโสกเราเนี่ยซึ่งเป็นสังคมที่มีทั้งสังคมมอกิจเป็นกิจของสังคมทั้งหมดแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเป็นรัฐกิจเรื่องการเมืองการบริหารปกครอง การเป็นอยู่รวมกันมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอย่างไรก็มาจากทฤษฎีพระเจ้าเอาแล้วเอามาทำจริงใช้จริงนะอัตมาก็หาวิธีให้มันเกิดความรู้ให้มันเกิดการศึกษาจนกระทั่งเกิดได้รับผลของการศึกษา แล้วก็เอาชีวิตมากันเนี่ยมากี่คนก็แล้วแต่ได้แค่นี้ก็เป็นการได้มาโดยไม่ได้ล่อไม่ได้ลอกไม่ได้ครอบงำทางความคิดและไม่ได้การันตีเลยว่าคุณจะต้องได้ลาบยศสันเสริญโลกีสุขแบบโลกโลกเขาอ่ะไม่มีคุณมาหรือคุณมาหมดทั้งนั้นมาไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้ปิดบังด้วยบอกตรงมาคุณมาหมดเนื้อหมดตัวหมดไม่เหลืออะไรเลย แล้วคุณจะเข้าใจว่าไงก็แล้วแต่คุณนะคุณตัดสินใจเองว่าไอ้ไม่เหลือมหมายความว่าอะไรและไม่เหลือแล้วมันจะเป็นยังไงมันดียังไงคุณก็ใช้ปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนเองนะเพราะฉะนั้นอัตมามีความรู้ที่จะรู้ว่าคุณสมบัติคุณธรรมคุณภาพคุณลักษณะ อันเป็นคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าที่เป็นทฤษฎีของท่านมาคนนีนจะได้คุณวิเศษอย่างนี้รวมหมดทุกคุณแล้วนะคุณวิเศษในรวมทุกคุณนะทุกอย่างเลยเรียกว่าคุณวิเศษมันจะเป็นอย่างไรที่เรียกอุตรีมุธธรุสตมจะเป็นอย่างไรอาตมาก็สรรค่าต่างๆพอนั้นออกมาแล้วก็เอามาสร้างคนเอามาให้พวกเราเนี่ย ศึกษาเรียนรู้และก็มาจนมีผลได้เองเป็นได้เองได้เฉพาะตนขึ้นมาจนตนเองตัดสินใจเองมาเองเป็นเองแล้วก็เข้ามารวมนี้ไม่มีอะไรผูกมัดจะอยู่จะไปจะมายังไงก็ตัวเองไม่มีอะไรไปมีข้อออนรองอะไรไว้เลยอยู่อย่างสมัครใจอิสระเสรีภาพ อันนี้เป็นเรื่องสูงสุดที่อาตมาภูมิใจว่าทุกวันนี้แม่กิเลสมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่โลกธรรมเห็นแก่ลาบยศสรรเสริญโลกีสุขทางกามทางอัตตาอะไรก็แล้วแต่มันแรงนะมันโหจัดจ้านเลยมันติดมันยึดกันแรงแต่ก็เป็นไปได้ วันนี้อาตมาจะเอาทฤษฎีงาน 17-19 กข้อเนี่ยมาเริ่มต้นสาธยาแล้วก็จะเจาะลงไปว่าทั้งแต่คนทั้งแต่งานความรู้ความสามารถอะไรนี่ไปไล่ไปพูดก็เป็นปีปอ่ะตั้งสี่ปีเนี่ยนะโอโพูดต้องห่วงแล้วและเอียดยังไงก็ต้องพูดอืม ใครมีหนังสือสรรค่าสร้างเขาไม่มีก็หมดไปแล้วว่ากองมนนั้นเอาไปหมดแจกโอ้ใครเอาไปหมดนะได้กันหมดทุกคนหรือยังอ่าได้แล้วเอาไปสุกไว้ไหนกันบ้างเอามาด้วยนะมันจะได้แล้วก็ไปวางทิ้งตรงนั้นตรงนี้เพราะเราไม่ได้ซื้อได้หาก็เลยสเปร๊คไม่ดูแลไม่ติดตามทิ้งคว้างอย่างนี้มันก็เท่าไหร่ก็ไม่พอ เริ่มต้นนะเขาเรานี่มีระบบข้ออัตมนี่ร่างอันนี้เว้นานยี่สิปีกว่าส0สิปีแล้วมั้งนะที่อะคุณรู้ได้ไงฮะไม่รู้ปีไหนก็ไม่รู้แหละก็คิดก็เขียนก็อะไรเขาก็ไป ร, ปรวบรวมกันมานะ เริ่มต้นนะใครมีก็เดี๋ยวกากาแบ่งๆไปตามที่อาตมาจะได้ค่อยๆบรรยายข้อหนึ่งมีคนที่ดีนี่เป็นหลักเลยนะงานการอะไรเร่องวิกิการอะไรเรื่องว่าอะไรมันจะเกิดพฤติกรรมสังคมพฤติกรรมมนุษย์มันก็คืองานนี่แหละข้อที่หนึ่งมีคนที่ดีใช้คำว่าที่ดีที่ดีใส่ท้ายนี่วควรจะต้องรู้ว่าที่ดีทั้งหมดนั่นแหละ มีคนเป็นด้วยหลักเลยเนยวไล่ไปก่อน19เกขอ้อสองมีงานมีคนที่ดีแล้วมีงานสามมีความรู้ความสามารถสามข้อนี้แหละนำวงเล็บไม่ได้ว่าเป็นทุนแท้ทุนนี่แหละทุนของชาวโศกเป็นอย่างนี้ ไม่จะทุนคือธนบัตรทุนคือแบงก์โนตไม่ใช่ทุนคือค อ, note, ค อ, อย่างเนี้ยนี่คือทุนแท้ทุนเนี่ยมันจะรวมอยู่หข้อหรือเจข้ อ, อย่างอนุโลมเจดข้ อ, อยางยืดหยาดไปหน่อยนี่สมข้อเนี่ยถือว่าทุนแท้มีคนมีงานและมีความรู้ความสามารถเนี่ย เมื่อคนไหนก็แล้วแต่ที่มีทุนแล้วก็รู้จักงานอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพลังปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะและพลังสังขารย่อไว้แค่สี่นะพลังหนึ่งพลังปัญญาก็คือนั่นแหละสุดยอดและสร้างปัญญาเป็นโลกุตรปัญญาเป็นสมัปัญญาได้ดี เป็นคนก็จะมีตัวนี้เป็นส ม, มนโนภุพังกรรมาธรรมามนโนเศษฐามนโนมยาเป็นพลังงานในคนเป็นประธานในคนนั่นะคนที่ดีก็ต้องมีตัวเนี้ตัวจิตตัวพนโนตัวขับเคลื่อนทุกอย่างเป็นประธานแล้วก็มีงานก็จะมีปัญญารู้ว่างานอ ะ, อะไรดีอนวัชชะพลังงาน พลังปัญญาพลังวิริยะวิริยะก็เป็นเครื่องประกอบของคนซึ่งศาสนาพุทธสอนให้คนไม่ขี้เกียจเป็นคนมาพากเพียงขยันก็สัจจะเลยถ้าปฏิบัติไม่ถูกเรียนไม่ถูกมันก็มิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่ได้เป็นจริงแต่ถ้าเผื่อว่ามันเรียนถูกสมาธิมันต้องไม่มีความขี้เกียจมันต้องเป็นความขยันแน่นอน เพราะั้นพลังปัญญากับพลังวิริยะสองพลังเนี่ยคือพลังงานทั้งหมดแล้วในโลกเหมือนกับต้นหนก็ต้นกลเรือลำนึงเรือทะเลเรือใหญ่เรือรบอะไรก็แล้วแต่พลังต้นหนกับพลังต้นกลต้นหนก็คือกับตันใช้ปัญญาใช้เห็นใช้รู้ไปทั้งหมดต้นกลเนี่ยอยู่ในใต้ท้องเรือไม่เห็นอะไรแล้วแต่ขุมเครื่องสั่งมา ตาสั่งมาทั้งนี้จัดการพลังงานใต้ท้องเรือช่วยกันพลังปัญญาพลังวิรยิยะแล้วก็ทำงานเพราะมีงานที่ดีความรู้ความสามารถที่ดีก็ใช่แต่ไม่ต้องใส่แล้ว understood ไปหมดความรู้ความสามารถ นี่เป็นทุนแท้ทุนต่อมาก็เป็นองค์ประกอบเพิ่มมีเวลามีโอกาสเป็นเวลาวาระโอกาสเราต้องต้องดูเวลาวาระโอกาสมันไม่แม้แต่สองวาระยุตากาละจำเนควรคืนไปทําผิดกาละมันไม่ได้เรื่องนี่ไม่ดีจะพังเงาห้ามทีนี้ถึงมีทุนันเป็นวัตถุละทุนที่เหมาะควร เป็นวัตถุประกเป็นทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์ประกอบของทางวัตถุมีทุนนําเหมาะควรหนึ่งถึงเนี่ยอันที่ส่สหข้อส5หเนี่ยเมื่อมีทุนแท้และก็มีทุนแถมสองข้อ4กับหเป็นทุนแถมอีกข้อ6ข้อ7มีสุขภาพและกำลังที่ดี ข้อหข้อมีความขยันอุตสาหะบากบันเป็นพลังงานเสริมเป็นทุนเป็นทุนในตัวของมันเองแหละเป็นทุนเป็นทุนเสริมเป็นทุนเสริมมีทุนแท้ทุนทุนแถมทุนเสริมนี่เป็นทุนต่อจากนั้นไปอีกข้อแข้อเข้อส ี่อีกหมู่หนึ่งแต่มีหลักมีระเบียบนะมันหลักเกณฑ์มีระเบียบมีเป้าหมายนี่พยายามรวมไว้19ข้อไม่ถ้าเพว่าแยกย่อยไปอีกนี่นะละเอียดแต่และข้อมันอาจมีเห็นจะเห็นได้ว่ามันมีมันมีหลายๆเชิงหลายๆข้ออยู่ซ้อนก็ไม่อยากจะแยกมาก19ข้อนี่ก็เยอะแล้วก็รวมๆกันไว้บ้าง ข้อแปดก็มีทั้งหลักเกณฑ์มีระเบียบมีเป้าหมายข้อ9มีการจัดสรรและจัดโครงการถ้าเผราอว่าใครรู้ใครเห็นใครเอาไปพิจารณาดีๆเลยนะหลักเกณฑ์ใน19ข้อนี้รับรองทำงานไม่มีเสียหายไม่มีพลาดนะรับรองเจริญจริงๆถ้าทำได้เข้าใจทุกๆ ข้อแปดมีหลักมีระเบียบมีเป้าหมายข้อ9มีการจัดสรรค์และจัดโครงการข้อ10มีการแบ่งงานและประสานเนื่องหนุนนี่คือความรู้ความ ร, ามรู้หลักเกณฑ์ระเบียบแบบเป้าหมายเรื่องจัดสรรโครงการการแบ่งงานการประสานเนื่องหนุนอะไรพวกนี้เรื่องของความรู้ทั้งนั้นอนะ่ะที่จะทํางานจากข้อ10ไปไปข้อ11 ไปถึงข้อ15หมวดนี้เยอะหมู่นี้เยอะ11 12 13, 14, 15, อ3 14 1บ5อบห้าห้าข้อเนี่ยนะห้ข้อนีคือบทบาทที่ดีในสังคมเป็นบทบาทที่ดีในสังคมพอมันได้องค์ประกอบพวกนั้นเข้ามาด้วยเราก็ต้องเสริมให้มันเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราต้องใช้กับมันข้อ1 1มีกระจิตกระใจมีความใส่ใจขนขวายไม่ดูดายดูเหมือนมันไม่สำคัญนะมีกระจิตกระใจมีความใส่ใจขนขวายไม่ดูดายเหมือนมันไม่สำคัญแต่มันสำคัญมากเลยแต่ละคนถ้าสำนึกเรื่องนี้นะแล้วใส่เข้าไปนะมีมีกระจิตกระใจมีความใส่ใจขนขวายมไม่ดูดายเนี่ยเท่านั้นเลยรับรองว่า สังคมกลุ่มไหนก็เก็บความบกขาดหกตกหลนนี่มาเป็นพลังงานเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรันนี่เยอะเลยข้อ12มีการปรับความเข้าใจกันให้เกิดความสามคัคคีอยู่เสมอนี่เป็นปัญหาของคนกลุ่มสังคมกลุ่มสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันก็จะเกิดปัญหา น่ต้องปรับความเข้าใจาต้องทำสามัคคีกันให้ดีไปเรื่อยๆ12 13มีการขัดเกลาปฏิบัติละกิเลสเสมออันนี้ลึกขึ้นมาแม้ว่าเราจะปรับความเข้าใจจะเกิดสามคัคคีเราก็ต้องมีขัดเกล่ากันเราก็ต้องมีขัดแต่ขัดอันนี้มันไม่ใช่ขัดแย้งขัดแตกมันเป็นการขัดเกลวสัลเลขาไม่ใช่ เพทาเพทะแตกแยกไม่ใช่เป็นการขัดเกลวสำนวนไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรขัดเกลวก็าใช้แปลสันเลขาของพูะเจา้านี่มีการขัดเกลวแล้วก็ไอขัดเกลวนี่แหละคือปรับทั้งกายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลวละลดกิเลสได้เสมอ ล, ลดกิเลสมานะตัวตนเป็นตน้น ถ้าขัดเกลาร์พวะเรื่องอย่างนี้ก็เนี่แหละอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันทํางานร่วมกันเมื่อก็ขัดเกลารเรื่องกิเลตัดตาตัวตนอัตามานะนี่แหละเป็นสําคัญข้อ15มีความเห็นดียินดีจะต้องเกิดไอข้อ14บขอไปข้อ14มีความเห็นดียินดีจะมีใจจะมีความเข้าใจเห็นเออมันดีเนาะมันดีเนาะ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอัตมาเห็นนะพวกเราเออมาพรักพร้อมแล้วตั้งใจมาเรียนเงี้ยมันมีใจตนเห็นเออเห็นดียินดีมันมีใจคนที่เขาเข้าใจเขามาสัมผัสเขาก็เห็นนะว่าก็ยินดีด้วยยินดีด้วยเห็นดีด้วยใจมันเกิดจริงทำไมยินดียินดีเรื่องอะไรยินดีเพราะอะไรมันจะเข้าใจมันจะมีตัวที่แยกมาวิจัยออกมาแล้วอธิบายได้มันยินดี สิ 15, มีความเห็นจริงทราบซึ้งเชื่อมัน่นเพราะฉนั้นมันจะมีผลที่ทำให้เห็นจริงๆแล้วก็หูทราบซึ่งเชื่อมัน่นจะเรียกว่ายึดถือก็ได้แต่ไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นใช้เป็นฐานของชีวิตเป็นฐานของสังคมเลยมีความเห็นจริงทราบซึ่งเชื่อมัน่นนี่ข้อ15ต่อจากนั้นก็อีกสี่ข้อสองข้อที่เหลือ กับสองข้อสุดท้าย16มีสติมีปฏิภาณมีปัญญานี่เป็นคุณวิเศษของคนเป็นเรื่องของจิตจิตวิญญาณจิตใจอันนี้ลึกซึ้งไปเลยมีสติมีปฏิภาณมีปัญญาและยิ่งข้อ17บเจ็มีฌานฌานขึ้นก่อนนะอันนี้ใครเขียนแก้ไว้นิดหนึ่งฌานแล้วก็สมาธิอุเบกขาเพราะฌานนี่เป็นฐานของสมาธิ ฌานเป็นบาดฐานของสมาธินะไม่ใช่สมาธิก่อนอย่างที่เขาปฏิบัติทำกันนี่เขาไปนั่งสมาธิและจิตสงบแล้วมันถึงจะเป็นฌานเขาว่างั้น <c oughs> ซึ่งมติกลับกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฌานนี่แหละมันจะเกิดจิตตั้งมั่นลงไปก็เพราะว่าเราเพ่งรู้เพ่งเผากิเล็ดไปเคล็ดสะอาดขึ้น ผลของสติโอ้ยไม่ใช่ผลของสมาธินี่คือจิตสะอาดมันตกผลึกผลึกกันเขาไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปก็ปเป็นตัวคุณสมบัติของจิตที่มันตั้งมันเขาก็แปลนะว่าจิตมันคือความตั้งมันแต่พอไม่รู้สภ า, าวะจริงแล้วไปทําตามจารีตประเพณีตามคนก็ทํามาเดากันไปอธิบายก็ไม่เคยตรงไปนั่งสมาธิคือนั่งเข้าไปในภพ แล้วก็ค่อยจิตสงบแล้วค่อยทำฌานฌานจะเกิดเมื่อจิตสงบซึ่งของพุทธนั้นคือทำฌานนั่นแหละคือล้างกิเลสรู้จักกิเลสแล้วล้างกิเลสออกแล้วจิตมันจึงจะสงบจิตมันก็สะอาดและจิตสงบจิตสะอาดนั่นแหละตกผลึกผลึกกันเข้าเป็นจิตที่ตั้งมั่นแข็งแรงเป็นปึกเป็นแผ่นเรียกว่าสมาธิเห็นหั้ยสภาวะคนละอย่าง วิธีการคนละอย่างการอธิบายจึงคนละอย่างนะยอดของฌานก็คืออุเบกขาหรือสมาธินั่นแหละเอกคตาที่เป็นอุเบกขาที่มีองค์ธรรมห้าปริสุทธาปรโยธาตามุทุกรรมัญญาปพัสราเนะมันจะเกิดคุณสมบัติที่สูงขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นบ ร, บริสุทธ์กับบริสุทธ จะเว่าบริสุทธิ์ีสุดก็มันก็บริสุทธิ์ที่สุดขึ้นไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยังไงมันจะมีความพิเศษที่มันบริสุทธิ์ได้อย่างแข็งแรงพิสุทธิ์ได้อย่างมั่นคงอะไรก็แล้วแต่มันก็บริสุทธิ์ขึ้นโดยมีปริโยธาตาคือเกิดจากการปฏิบัติเกิดการสัมผัสนี่แหละและสร็จแล้วมันจิตมันก็ยิ่ง เพิ่มอภิเนนชาภิสังขารเป็นอภิสังขารทำก็ไปมันก็ยิ่งเกิดคุณสมบัติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทิศทางความเจริญมันยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์ปริโยธาตาก็คือสัมผัสนี่แหละแต่มันก็เรียนรู้เพื่อที่จะทําความสะอาดหรือให้มันสะอาดสะอาด มันไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจบแค่นั้นมันมีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นจากลีลานั้นจากการประทบอย่างนี้จากเหตุปัจจัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนดมันก็ยังไม่มีวันไหวขึ้นเรื่อยเรื่อยๆถ้ามันวันไหวก็ต้องเรียนรู้ว่าทําไมต้องม า, าก็ต้องพิจารณาต่อมันจึงจะเกิดความรู้เกิดความแข็งแรงทั้งเชิงปัญญาเชิงเจโตเรียกว่ามุถุพุทธาตุ ปริสุทธิ์ประโยชตาตามุทุกกรรมัญญาจึงจะมีบทบาทของการกระทาหรือการงานกรรมัญญาที่ประเสริฐขึ้นวิเศษขึ้นดีขึ้นเจริญจริงๆขึ้นมาจี่มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจึงเป็นคนที่มีการงานอันเจริญประเสริฐขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตบท้ายได้ประพัสราจะเป็นยังไงจะ มีการไปปฏิบัติอะไรยังไงมีเหตุปัจจัยยังไงมีข้าศึกมีสงครามมีการได้ปฏิบัติตนได้ต่อสู้ได้ทำยังไงมาจิตมันก็ประพัดสอนอยู่ตลอดกระนานอันเดียว ก, กันกับปริสุทธาประโยทาตาบริสุทธ์หรือผ่องใสท่านแปลประโยชธาตาว่าผุดผ่องผ่องแผ่วหรือผุดผ่อง สองตัวนี้กัพระพัฒน์ศรานึงผุดผ่องอันนึงผ่อ ง, อ, นนงผองแผ่วจันพยายามแปลเป็ภาษาไทยนะประโยชนาตานี่แปลว่าผ่องแผ่วหรือไงพระพัฒน์ราแปลว่าผุดผ่องหรือไงขาวรอบก็ได้ขาวรอบ ก, ก, ก, ก็คือจำนวนไทยๆจำนวนเทเทนะกับผุดผ่องผ่องแผ่วอะไรมันก็เข้าใจคนไทยภาษาไทยก็เข้าใจนอกจากเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องภาษาอาจจะเข้าใจไม่ดี แต่คนโตแล้วเนี่ยองแพ้วกับผุดผ่องกับสะอาดบริสุทธิ์อะไรพวกนี้มันต่างกันยังไงมันก็ไวยพ์เป็นคำใช้แทนกันได้แต่มันก็อาจจะมีน้ำหนักที่เหนือชั้นกว่ากันนั้นนะเพราะนี้เป็นคุณสมบัติคุณวิเศษของจิตนะมีสติปฏิพานปัญญาแล้วก็มีฌานมีสมาธิมีอุเบกขาจนสุดท้ายเป็นผลจบเลย มีความเสียสละแท้ต้องเติมคาว่าแท้ได้ไม่มีอะไรมาแฝงมาซ่อนมาบังมาพลางมาลวงอะไรเลยมีความเสียสละแท้สิบก้ามีพลังเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเอกีภาวะที่มีวิมุตเป็นพลังอ่าเป็นปึกแผ่นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องสุดยอดเลยโลกไหนทำได้โลกนั้นแนหะ ประเสริฐแข็งแรงไม่มีใครตีแตกอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรัง น, นี่ส9เกข้อนะก็แปลให้ฟังก่อนอาทีนี้มาไล่ไปให้ก่อนเริ่มต้นข้อเดียวก่อ น, นอาจจะเสริมกับงานเสริมกับความรู้ความสามารถไปบ้าง ก็คือที่เริ่มตนอธิบายไปแล้วตั้งแต่วันแรกซึ่งรวมไปหมดนีพูดถามาแล้วไอ้ที่อธิบายไปวันแรกเนี่ยได้วันที่สองวันที่สามันก็จะทาต่อวันแรกนี่แหละคือโครง น, นี่แหละคือโครงสร้างอธิบายในนี่ไปอีกห้าปีปึกเนี่ย ก็นี่อธิบายพื้นต้นเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นได้คนหรือวระสังคมไล่มาตั้งแต่เอามาแต่ดึกํำบันมาไล่มาเรื่อยๆลงท้ายมันก็จบด้วยจักขุมาปรินิพุโธติปรินิพานนะแล้วม e <th> ันไม่ตั้งแต่ต้นจนจบได้ไงเนี่ยลงท้ายเนี่ยบรทัดสุดท้ายเนี่ยหลงทรก็จะจักขุมาปรินิพุโธติที่บรรยายวันนั้นนะอ่า นี่เรื่องของคนสรรค่ามาสร้างคนนะเอาเริ่มต้นตั้งแต่หน้าหนึ่งขยายความคนมันเกิดยังไงมันมีอะไระซึ่งอาตมาขึ้นต้นด้วยว่าคนมันประกอบไปด้วยนามธรรมหรือจิตเป็นหลัก สมุทรพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดไปแล้วเรียนมาแล้วรู้แล้วมโนโปุพังเข้ามาทำม า, าจิตวิญญาณหรือมโ น, โนหรือจิตหรือวิญญาณหรือมโนนั่นแหละเอาขยายความแทรกตรงนี้ว่าจิตมโนวิญญาณมันต่างกันยังไงมันเป็นคำใช้แต่กันนะโดยทั่วไปก็แยกไม่ออกหรอกต่างกันยังไง ขออภยัยที่ไม่ได้ไปดูถูกใครเขาไม่รู้หรอกว่ามันหมายความละเอียดกันยังไงต่างกันยังไงเขาไม่รู้หรอกจบป ร, ริญญาเก้ามาก็เถอะด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาก็เถอะไม่ง่ายหรอกคาว่าจิตคําว่ามโนคําว่าวิญญาณเนี่ยในนามธรรมขันห้ามันมีคําว่าวิญญาณ ยังไม่มีคำว่าจิตยังไม่มีคำว่ามาโนเพราะวิญญาณเป็นองค์รวมเป็นองค์ทั้งปัจจุบันและอนาคตวิญญาณเนี่ยเพราะเราจะต้องเรียนรู้มันเป็นปัจจุบันวิธีปฏิบัติธรรมพรเจ้าจึงต้องมีตัวนี้เกิดให้เห็นให้รู้ไม่ใช่ไปปิดบังไม่ใช่ไป น, นู่นตายแล้วมันก็ไปเป็นวิญญาณ อันนั้คือคนจำนวนจำนวนไ ม, มไม่มีไม่มีทางจะศึกษาไม่มีทางรู้ปิญญาพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีแล้วว่าต้องมีผัสสะตากำหนดตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสแต่ต้องหรือแม้แต่ในจิตเองในมโนเองข้างในเองเนี่ย ก็จะต้องมีการสัมผันธกันสัมผัสกันเองท่านไม่เรียกกับทบเพราะมันไม่ได้แยกกันตรงไหนมันอยู่ในจิตของเรามันก็อยู่ในนัเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นมันไม่ได้อยู่กันเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้อยู่กันทางมันอยู่ด้วยกันมาแต่ไหนแต่ไรข้างในมันมีธรรมายตนะกัมนายตนะมณะหรือมโนเนี่ยมันมีมนายตะเป็นตัวใน น่าเป็นตัวพฤติกรรมที่จะบอกให้รู้มโนเนี่ยส่วนจิตนั้นเป็นการเรียกรวมว่าเป็นพฤติกรรมทั้งจิตของจิตเจตสิกเจตสิกคืออาการของจิตนี่แหละอาการอย่างไรอย่างนั้นเพราะเวลาเขาไปเรียนเขาต้องใช้คาว่าจิตอย่างอพิธรรมไปเรียนเนี่ยจิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้ดวงจิตจิตเขาก็ไม่เรียกว่ามโนเขาก็ไม่เรียกว่าวิญญาณเขาก็เด็กจิตและลูกหลานของจิตเขาก็เรียกว่าเจต เจตสิกอาการของจิตอาการอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้ววิญญาณก็คือองค์รวมที่จะมีทั้งข้างนอกและข้างในเกี่ยวข้องกันมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วเกิดอาการนั้นขึ้นมานั่นแหละคือธาตุวิญญาณวิญญาณธาต วิญญาณจึงท่านมีศัยอยู่สองตัวว่ากายวิญญาณกับมโนวิญญาณที่จึงจิตวิญญาณไม่มีด้วยซ้ำแต่ก็เอามาเรียกรวมไปก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันก็ใช้แทนมันมันหมายถึงจิตองรวมกายมันหมายถึงต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอกองประชุมหรือองประกอบหรือองรวมเกี่ยวข้องกับข้างนอกไม่ทิ้งข้างนอก แต่ทิ้งก็ได้นะทิ้งก็ได้แต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติประพฤติจะไม่ทิ้งข้างนอกจะออกมาข้างนอกก็เป็นเดียวกันเช่นพระนาคามีท่านเหลือแต่จิตที่มีกิเลสอยู่ข้างในข้างในท่านก็จัดการกับข้างในท่านจะเรียกว่านามกายอยู่ข้างในได้แต่จริงๆแล้วข้างนอกก็ เปิดออกมาสัมผัสออกมาลึกสัมผัสข้างนอกอยู่มึงก็ไม่มีข้างนอกแต่ท่านผ่านไปแล้วสำเร็จแล้วเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงละเอาไว้ว่าจะมีข้างนอกหรือไม่มีข้างนอกมันมีบิโมกแปดด้วยกายแล้วพระอนาคามีมีบิโมกแปดด้วยกายคือมีเรียนสัมผัสข้างนอกข้างในแล้วก็เรียนรูละ ตัวเหตุปัจจัยที่มันเกิดจริงเกิดกิเลสแล้วท่านก็ได้กำจัดกิเลสแล้วอย่างพระอนาคามีเนี่ยกิเลสข้างนอกแกท่านฆ่าตายมาแล้วเพราะฉะนั้นจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสเหมือนกันส่วนคนที่ยังทําไม่ได้ต้องมีสัมผัส ต้องมีสัมผัสถ้าคนที่ยังทำไม่ได้ยังไม่บรรลุเหมือนพร ะ, พะอนาคามีอย่างที่ว่าเพราะงกายวิญญาณจะต้องกายต้องสัมผัสกับข้างนอกเกี่ยวข้องอยู่กับข้างนอกเพราะเมื่อกายมันมีกา ย, กายหรือวิญญาณข้างนอกองค์วระชุมนอกพอไปถึงมโนมันก็เป็นในเลยตัวใน ยิ่งมานายาตนะธรร ม, มายาตนะนี่ก็เหลืออันอันปลายเลยมานายาตนะอนยายตนะปลายนะตั้งแต่รูปายาตนะตั้งแต่ข้างนอกเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสดูจนอ่าฮะอ่าจนกระทั่งถึง รูปรายตนะรูปข้างในจักขายตนะจบจักรายตนะนะทั้งนั้นแหละตาหูก็โซตาไล่ก็ไปข้างในข้างในข้างในมีอา ย, อายตนะก็ดีผัดสะก็ดีนะอายตนะผัดสะอะไรอีกอ่ะ นะไม่ใช่อายตนะผัสสะอะไรอีกอันนึงมันไม่มีมันเกิดเมื่อมีมันเหตุปัจจัยสองอันมาร่วมกันแล้วมันก็เกิดถ้าไม่มีอายตนะมันก็วยไม่มีผัสสะมันก็ไม่เกิดผัสสะก็ไม่มีไม่มีผัสสะผัสสะมันก็ไม่มีผัสสะเมื่อใดมันจะมีผัสสะเกิดอาการมันต้องมีสองอย่างมาแต่กันที่เกิดผัสสะ อามสาสปัษากันกนและมันถึงจะมีวิญญาณจึงเรียกภาษาสามเป็นเหตุปัจจัยครบถ้วนองค์งประชุมที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ไม่มีสองอย่างมาแตะกันอายตนะก็ไม่เกิดอะไรอีกคำแม้ อัตมมันมีอยู่สามตัวนี่มันไม่ไม่มันไม่เกิดเองเลยเกิดเองไม่ได้มันมีในที่ไหนมันไม่มีในที่ไหนมันต้องมีเป็นปัจจัยของสิ่งนี้มันทำงานผัสสะนี่ก็สองสิ่งทำงานอายตนะก็ต้องมีสองสิ่งขึ้นจะมีสามสี่มีอะไรก็ได้แต่มันก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องมีเดียวเดียวมันทำไม่ได้เดียวเดียวมันไม่มีไม่เกิดผัสสะเดียวเดียวไม่เกิด อาจจะตะระเดี๋ยวเดียวมันก็เกิดไม่ได้เฮยัยงนึกไม่ออกอะไรอีกคำนึ่งไม่น่านลืมฮ อ, อะไรไม่ใช่สังขารนี่มันเขาเรียกแม้แต่อย่างนี้ก็สังขาร สังขารเป็นเรื่องสังขารอาจปรุงแตง่งเกาะตัวรวมตัวกันปรุงแต่งกันของผีช้ามันก็มีสังขารอาผ่านไปก่อนนะในคนถ้าไม่เรียนรู้สิ่งที่ประชุมกันมีผัดสะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปเรียนให้ถึงจิตวิญญาณ น, นะ จิตปิญญาณก็มีลักษณะวิญญาณมาถึงจิตเนี่ยลักษณะวิญญาณลักษณะมโนอย่างที่อธิบายจิตมโนวิญญาณอะไรไปบ้างแล้วซึ่งมันก็ยังอาตมาว่าฟังแล้วก็ไม่ง่ายหรอกอาตมาว่าฟังเข้าใจอยู่แต่ว่าเวลามาแยกจริงๆมาอธิบายหรือว่ามาจับให้มันคันในตายจริงๆมันก็ยังยากนีมันก็ยังยาก เอาเธอค่อยๆรู้ไปแล้วก็จะค่อยๆละเอียดเพราะม่นมันมีภาษาตายตัวอย่างสําคัญนะสรุปตรงนี้ก็คือวิญญาณนี่เป็นตัวจะต้องเรียนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ธาตุวิญญาณนี่แหละเป็นเรียกตัวหรือจะเรียกอีกอันแทนคือจิตเนี่ยจะต้องรู้ เรียนรู้ความสำคัญของอาการพลังงานระดับนี้นะพลังงานจิตนิยามเนี่ยท่านคอาคว่าจิตไปเรียกนิยามไม่ได้เอาคาว่าวิญญาณ น, นิยามหรือมโนโนิยามท่านเรียกว่าจิตนิยามนะคํากลางๆนะเหมือนคำว่าอัตตาแปลว่าตัวตน องค์ประชุมที่เป็นตัวตนตกลางกายะหรือสักกายะก็เป็นตัวตนสักกะในแปลว่าตัวตนและเกิดองค์ประชุมขึ้นมาเอากายอีกคํานึ่งอ่ากายกคํานึงมันมีอยายตนะผัสสะกับกายเนี่ยถ้ามีสองสิ่งกายไม่มี <laughs> แม้จะเป็นนามธรรมเท่านั้นก็ยังมีมณะกับธรรมะเป็นมนยายตนากับธรรมยายตนะเกิดนามกายสุดท้ายเกิดสังขารกันขึ้นเกิดปรุงกันขึ้นเกิดอะไรถ้าต่างคนต่างนิ่งไม่มีไม่มีองค์ประชุมก็ต่างคนต่างอยู่งประชุมร่วมกันมาสัมผัสกันขึ้นมาเกิดอายตนาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมามันก็มีอ่า อ่าสางคือกายเนี่ยผัสสะอายตนะกายเนี่ยไม่เกิดเดียวไม่เกิดเดียวแม้จะมาเป็นนามา ร, รมก็ไม่เดียวเป็นนามากายเข้าไปจนกระทั่งถึงลึกก็ไปถึงเหลือมมณะกับธรรมะหรือจิตกับ ส, สิ่งที่ทรงไว้เป็นแกนตั้งธรรมะคือสิ่งที่ทรงอยู่ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งมาเกี่ยวข้องพราะทั้งใจก็มีมณะนะมะโนกับสิ่งที่ส่งไว้ก่อนเหมือนพลังงานมีแกนของแกนบวกและก็มีพลังงานลบที่เคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องธรรมะก็คือแกนบวกมโนก็คือแกนลบหรือพลังงาน จริะพลังงานจน i ค e t i c Energy ส่วนตัวตั้งตัวแกนบวกนะหรือธรรมะ น, ะนั่ น, นคือพลังงานศัก์ เางนคนเราถ้ารู้จักตัวสําคัญจุดสําคัญที่เราจะศึกษาและจัดการสรรค่าจะสร้างคนก็คือสร้างประธานหรือมโนปุพังมโนคือมณะเนี่ยตัวนี้แหละถ้าทําไม่ได้ถึงตัวนี้ความสําเร็จไม่มีมันได้เป็นผลไปบ้างเท่านั้นเองไม่สําเร็จสูงสุดไม่มีจบไม่มีเสร็จกิจ ถ้าไม่ถึงมณะจริงๆแล้วไม่ถึงมณะไม่ถือว่าได้ผลได้ซ้าแม้ได้ผลแล้วไม่สมบูรณ์แบบจริงๆก็ไม่เสร็จกิจเพราะฉะถ้าไม่รู้จักจิตไม่รู้จักวิญญาณหรือมโนโก็ตามถ้าไม่มีญาณอ่า น, อ, านออกสัมผัสแล้วมันเกิดเมื่อไรอาการก็มันเป็นจิตอาการมันเป็นวิญญาณอาการมันเป็นมโน อาการมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่สัมผัสไม่ไม่เจอของจริงไม่มียาตัวเองเจอของจริงสัมผัสอันนี้ล่ะอันนี้แล้วก็ทำมันนี่นหละเรียกว่ามณสิการมณสิการนี่แปลว่ากระทาการะนี่กงานเป็นงานเป็นการกระทากระทาอะไรกระทาใจจัดการก็ใจ มณสิทิใจจัดการทำที่ใจนี่เป็นเป้าหมายหลักเลยคนจะมีค่าก็ต้องจัดการให้ถึงตรงนี้แหะซึ่งจะเกิดคุณค่าที่มันถาวรและก็เป็นตัวพลังหลักของมนุษยชาติของความเป็นคนและคนนี่แหละที่จะไปเป็นสังคม ถ้าคนมันทำได้ดีแล้วมีคนที่ดีตามข้อที่หนึ่งของงานทั้งหมดเนี่ยมันก็เจริญไปนะเพราะฉะนั้นคนพระพุทธเจ้าถึงได้ตั้งต้นว่าคนจะต้องเข้าเขตอาริยะเริ่มต้นจะต้องรู้ทิศทางของจิต มันไปทางไหนอ่ะมันคัตโตคตะหรือคติมันไปทางไหนดำเนินไปทางไหนมันดำเนินไปทางโลกียะอยู่ตลอดเวลาหรือมันเดินไปทางโลกุตระแล้วนะคุณต้องอ่านมันออกต้องรู้ทิศมันจริงๆเลย พูดมาถึงตรงนี้แล้วมาขยายความนี้อาจจะขยายตรงนี้ไปก็คงจะจบเวลาอีกเพราะว่าตกลงกันว่าอธิบายชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมอีกชั่วโมงหนึ่งก็มาโอ้ยเมื่อกี้นี่มันเริ่มเกือบส5บานาทีนะมันเลยไปะจริงเมื่อกี้นี่ลอยลายลอยลายไม่ค่อยเข้าห้องเรียนกัน เสียเวลากันเกือบสิบห้านาทนาีนี่มันอีกสามนาทีก็หมดแล้วเวลาทุ่มไอ้ไนี่ถึงแล้วนาฬิการเรือโน้นก็จะมามาอีกสามนาทีหมดเป็นทุ่มหนึ่งแล้วคืออาตมาจะจะบอกให้เป็นวิธีการตัวต้นเลยในโลกุตรธรรม4ี่สบหก ตัวแรกที่สุดก็คือกายในกายซึงเป็นตัวสติปัฏฐานสี่ตัวที่หนึ่งในโพธิปัฏิานราม37ที่เป็นโลกุตระอีก37จะเกิด37เพราะต้องมีความรู้และมีความเป็นเป็นรู้แล้วก็ทำเป็นแล้วก็เป็นได้มันจึงจะเริ่มจะเป็นโลกุตระแม่จะเป็นโลกุตระมักก็ตาม เราเริ่มเป็นโสดาปฏิมักก็ตามเพราะรวบยอดท่านเรียกว่าโลกุตรากา้ามีโสดาโซดามากโสดาผลนี่เป็นหนึ่งต้นและต้นสกิทาคามีมากสกิทากามีผลนอนาคามีมากอนาคามีผลอาราถตมากอาราถาพ้นและก็นิพาน9มันจะเกิดอันนั้นก็แยกมาขยายมาอีกเจ็ดก็เริ่มต้นด้วยกายกายในกาย แล้ถึงจะไปถึงเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องเข้าใจสี่ตัวนี้ก่อนจึงจะปฏิบัติสมัปประทานสี่ได้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณไปปฏิบัติสมัปประทานสี่คุณก็สังวรประทานประหารประทานแล้วประหารอะไรจ๊ะต้องไม่รู้เลยไปประหานบ้าอะไรปฏิบัติให้ตายเงปฏิบัติสมัปประทานให้เพียนประทานแปลว่าเพียน พอปลาทอทงสลาอ น, นูนีแปลว่าการภาคเพียนภาคเพียนสังวรเอาพอเดาได้สังวรก็คือเระพัดะวังแล้วเราม่ระวังอะไรสังวรอินสหเมื่อเวลามีสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จากสัมผัสหกในสัมผัสนั้นมันเป็นยังไงจะวิเคราะห์วิจัยยังไงวิจวิเคราะห์วิจัยแล้วจะแยกออกไปยังไงมันก็ต้องมารู้เป็นเบื้องต้นก่อน ถ้าไม่รู้เป็นเบื้องต้นคุณก็ไปไม่ออกความเข้าใจคำว่ากายตั้งแต่คำแรกนี่นะเข้าใจผิดที่อาตมาพูดมางาน9ก้าวันของอโศงรัมฤกอาตมาอธิบายคำว่ากาย ใช่ไหมกับบุญกับกุศลอธิบายบุญกุศลแล้วก็กายแถมแล้วก็อาตมาก็พยายามอธิบายกายมานี่นานลวองประชุมเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่ากายมันเกิดเนี่ยมันต้องมีสัมผัสต้องมีสิ่งสองสิ่งขึ้นไปสัมผัสกันเกี่ยวข้องกันขึ้นมาแล้วก็จะเกิด มันมีสัมผัสนั่นแหละถ้าสัมผัสไม่มีมันไม่มีเกิดอะไรสัมผัสถ้าไม่มีอะไรสัมผัสมันจะเกิดอำนาจบัตมาจากไหนอ่ะเพราะสัมผัสนี่มันไม่มีเลยถ้าเปิดมันจะเกิดอาการของสิ่งสองสิ่งขึ้นไปมันเกี่ยวข้องกันนั่นจะเกิดสัมผัสก่อนพอสัมผัสแล้วว่าอายตนาก็เกิดทันทีเป็นสะพานต่อเชื่ออายตนานี่คือความต่อเชื่อไม่รู้เรื่อง แล้วจะเกิดองค์ประชุมกาเมื่อเกิดองค์ประชุมนั่นแหละสังขารประชุมกันรวมกันขึ้นมาปุ๊บเอาวิชาไม่มีรู้ว่าสังขารเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาแล้วก็ต้องศึกษารู้นะปัจจัยต้องรู้อะไรรู้ปัจจัยทุกอย่างรู้เหตุรู้ปัจจัยทุกอย่างและเหตุนั้นน่ะมีองประชุมนั้นน่ะมันมีทั้งตัวปนปนปมนปนเปรอยู่ สั้งขานมันก็มีทั้งกุศลและอกุศลอยู่ในนั้นปรุงแยกให้ออกองประชุมแยกให้ออกเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอีกสังขารมีกายสังขารจิตสังเวジสังขารจิตสังขารอะไรงนี้เป็นต้นถึงเป็นสังขารหลักสามสังขารกายสังขารเวจีสังขารจิตสังขาร เมื่อเราเองเราเรียนรู้คำว่ากายไม่ถูกสอนกายก็คือร่างไม่เกี่ยวกับนามเลยจบเหถ้าว่าสอนกายมีแต่นามนะไม่มีร่างเออยังพอทำเนาอย่างพอที่จะ ล, กละกิเกลสกิเลสมาอยู่ที่นมามมันอยู่ที่จิตปฏิบัติธรรมจะพอเป็นไปเออพอได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเอาละจะปฏิบัติบัตรข้างในไม่ได้มีการข้างนอกก็เชื่ออาจจะมีอาสวะบางอย่างดับได้แต่ไม่รับรองไม่ขอรับรองต้องมาปฏิบัติมีองค์ประกอบของกายสัมผัสวยกายครบแล้วจึงจะเกิดวิญญาณเกิดกิเลสต้นกลางปลายที่บทอ่านได้เห็นของจริงจึงจะนับว่าเป็นอรหันต์ เพราะคําคำว่ากายคำนี้จะเป็นคำว่าสาคัญที่สุดถ้าเข้าใจแค่ผิดแต่แค่ว่ากายคือวัตถุธาตุกายคือข้างนอกไม่เกี่ยวกับข้างในเลยตัดเป็นโครงร่างข้างนอกเลยเอวังก็มีด้วยปาการรช น, นีคนนี้ไม่ได้บรรลุันรนละอะไรหรอกและคุณคิดดูซิ ว, ว่าคนเข้าใจคำว่ากายนี่เป็นอย่างที่อาตมาว่ามคนไทยมันเลยซวยเลยคนไทย เพราะทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาอะไรนี่ใครก็เข้าใจมันเป็นภาษาไทยแล้วใช่ไหมคำว่าไก่เนี่ยมาบวชเป็นไทยปอเลยบวดเป็นไทยปอแล้วไม่เหลือเชือ้อไม่เหลือกลิ่นอายของบาลีเบลเแขกเคอนเลยก็ได้แต่ความหมายเป็นคนละเรื่องกันเลยกักกกกกบธรรมะพระพุทธเจา้าไปแปลว่าไอ้วัตถุธาตุไปแปลว่าร่าง เริ่มต้นอย่างนี้โพธิปักคียธรรมข้อแรกกายในกายใช่ไหมโพธิปักคียธรรม3ามสเนี่ยกายในกายแลว้วก็ค่อยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต่อมาสมประทานสก็ถึงค่อยมีสังวรประทานอาหารประทานภาวนาประทานอนรนักษณาประทานและถึงมีตัวแรงหนุนด้วยอิธิบาตส ปฏิบัติไปได้มักได้ผลจึงจะสั่งสรงเป็นอินทรีหจนมันถึงสุดบรรลุได้มักได้ผลเป็นพระห้าโดยมีหลักใหญ่อยู่สองอันก็คือมีถนนกับมีการก้าวเดินบนถนนถนนคือมัก8การก้าวย่างเดินคือโพชิชงเจ็เป็นหลักตายตัวของศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าไม่เกิดโพธโพธชงเจ็ดไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรคงแปดไม่เกิดไม่มีเกิดเมื่อพระพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาเกิดมรคงแปดจึงเกิดโพธโพธชงเจ็ดจึงเกิดเอากายทีนี้กายนอกกายก่อนกายนอกกายเป็นอย่างไร องประชุมข้างนอกธรรมดาคนก็มองข้างนอกตาเห็นรูปอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไปสำคัญมั่นหมายอยู่ที่รูปนอกเป็นจริงเป็นจังอยู่กับรูปนอกโ อ, อ้อยางงี้รูปสวยเอาเสียงก็งได้เสียงข้างนอก เ, อเสียงได้ยินทางหูกลิ่นได้ยินทางจมูกไดย้ยินไ ด, ไ, ดได้กลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัส สัมผัสร่างกายทั้งหมดตั้งแต่พื้นเท้าจน ย, ยันปลายผมนู่นะสัมผัสเจดสีแตะต้องเกิดความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเพ่งอยู่ข้างนอกสำคัญในข้างนอกนั่นก็คือกายข้างนอกกายกายนอกเรียกว่าพระหิทธา รูปานิเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รู้อยู่นอกๆ อ, อย่างนี้ย่นั้นยังไม่ได้เข้าไปพิจารณาข้างในยังไม่ปั้นรูปข้างในเลยคุณมองที่เนี่ยคุณเห็นะคุณไม่ปั้นรูปข้างในเลยได้ไหมเนี่ยเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยโ ด, โดเนี่ยแต่คุณระลึกต่อว่ามันไปข้างในเกิดรูปนี้อยู่ข้างในก็ดได้ยิ่งละตาไปแล้วเออเกิดรูปข้างในได้ชัดขึ้น ถ้าไม่ละตาไปมันก็เพ่งอยู่ข้างนอกมันก็เป็นองค์ประชุมที่จัดชัดเจนอยู่ข้างนอกใช่ไ้มละ่ะแต่พอเราจะทำความรู้สึกกับมันเข้ามาหาข้างนอกเออเข้ามาหาข้างในพอเข้ามาหาข้างในโดยตาไม่ต้องละข้างนอกคุณพิจารณาได้เออรูปมันเป็นอย่างนี้ข้างใน แล้วเราพิจารณาตามรูปนั้นอาจจะไม่ชัดทีเดียวเหมือนตานอกเห็ น, นแต่เราก็ประมาณได้เพราะตานอกมันเคยบังกกับอยู่แล้วว่าเฮ้ยอย่นี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งสีทั้งรูปทั้งรสไม่ใช่รสยังไม่ได้แตะลิ้นนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นองค์ประชุมอยู่ข้างในแล้วเราก็พิจารณาซ้อนกายในกา ย, กายเข้าไปอีกในกายในกายก็มีาธาตุวิญญาณ วิญญาณก็แตกออกเป็นสัญญาธนาสัญญาสังขารก็ใหส้สัญญามันทํางานเอากําหนดหมายให้รู้นะวเวทนาเป็นอารมณ์มันอารมณ์อย่างงี้นะมันเกิดจากการสัมผัสแล้วก็เป็นกายที่รูปอย่างงี้แหละลดเสียงอย่างงี้แหละกลิ่นอย่างงี้นี่แหละแล้วมันมีความรู้สึกหรืออารมณ์ขึ้นมาอย่างไงเกี่ยวกับเนี่ยตากําลังกระทบรูปหูกําลังกระทบเสียงจมูกกาลังกระทบกลิ่นนี่แหละ กำลังเกิดความรู้สึกหรือเกิดอารมอย่างไงพิจารณาได้ไหมแยกแยะมันได้ไหมอ่าน ไ, ได้ไหมเออกำลังชอบวะกำลังไม่ชอบวะใช่ไหมพิจารณาได้เราก็เริ่มเป็นเวทนากำลังชอบหรือกำลังไม่ชอบชอบก็ยินดีสุขใจ ไม่ชอบก็ไม่ยินดีไม่สุขใจจะผลักมันแล้วดีไม่ดีไม่ผลักหรอกนะเมื่อกลับตำรวจมันระเบิดลอยมามันไม่ชอบมันก็จะเตะเออกไปออกไป่เปตะไม่ถูกมาเลยระเบิดใส่ขาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบใจ เพราะงั้นนี่แหละคือขค่อยอธิบายละเอียดไปนี่จะเห็นโครงสร้างง่ายขึ้นใช่ไหมและคุณก็ไปอย่างนี้แล้คุณก็ไปต่อเรื่องที่ฟังแล้วก็จะอ๋ออย่างงี้อย่างนี้และคุณก็ไปปฏิบัติปฏิบัติฝึกฝึกอย่างเงี้ยฝึกฝึกเหมือนกับที่เขาบอกว่าเอาเดินยาน่างหนอยกหกนอ แตะนอเท้าปลายเท้าแตะนอส่วนเท้าลงถูกสัมผัสนอก็ใช้ช้าสโลโมชั่นก็อย่างนี้แหละแต่ของเรามันไม่เหมือนเขาทีเดียวของเรามันเข้าหาประมัตดแต่ของเขายังอยู่ตรงนั้นน่ยชาติแล้วชาติเราปีแล้วปีเราเรียนไปสิปียีสปีแก่ตายไปไหลายคนแล้วอาจารย์ลูกศิษย์ทุกคนก็มาเรียนแบบเนี้ย ต่อเนื่องไปหากายวาจาจักรยามมันเวทนาจิตธรรมไม่เห็นอธิบายกันมันต่อกันนะมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดตอนนะจากกายนอกไปกายในจากกายในเข้ามาหาเวทนาและในเวทนาในอารมณ์นั้นะมันมีจิตสราคัสโทสสโมหะเป็นตัวสมุทัยอยู่ในนั้นมันชอบเพราะอะไรวิจัยเข้าไปถ้ายิ่งตามหลักเจ้าจว่าเอาอันนี้ อารติวีติปัติเวรปัติปฏิวิริเว ร, วรมณีเว้นขาดชอบก็ไม่ให้มันเว้นขาดหยุดไม่ให้ดินสิดินสินสชัดๆเลยตอนนี้มยดอยว่าไอชอบนะชอบแต่มันยังไม่ไม่สมใจหรอกมันต้องได้มันต้องได้ อ, ไดอ่าของกินต้องกินของได้ต้องเอาต้องเอามาสัมผัส นะว่าจะสัมผัสทางตาทงหูทางจมูกทางนี้การให้มันแตะมาสัมผัสยังไงก็ว่าไปไอตัวดินตัวนี้แหละมันก็ไปเป็นจิตสาราคะสะโทสะสะโมหะจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะนะมันเป็นอาการยังไงลักษณะยังไงราคะลักษณะยังไงโทสะลักษณะยังไงโมหะ โมหะมันก็มีนัยยะสำคัญอยู่ว่าหลงไหลหลงเลอะหลงผิดคือมันไม่ตรงมันไม่ชัดมันไม่คมมันไม่แม่นมันไม่ถูกต้องนะโมหะนัยยะต่างๆมันก็คือมันไม่ถูกต้องมันไม่คมมันไม่ชัดนะเพราะงั้นเราต้เอาให้คมไม่ชัดแล้วก็มาแยกตระกูลใหญ่ก็มีกลางกับพยาบาท ชังและชอบก็เรียนรู้อาการชังและชอบถ้ามันชอบนี่มันก็สาราคะถ้ามันชังก็สะโทสะประกอบไปด้วยอาการดูดและผลักผลักหรือดูดต้องการมาหรือต้องการทิ้งทำลายไม่ไม่เอาอะไร อันนึงก็เอาก็พิจารณาอ่านอาการของจิตมันตัวไหนก็รู้ตัวจิตในจิตพิจารณาไม่ใช่พิจารณาให้แยกคายพิจารณาให้เข้าใจให้ท่องแท้โดยไม่ได้อธิบายเข้าหาประมัดเลยก็พิจารณาโยนิโซมณสิการหรือว่าพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณากายในกายก็พิจารณาเช่นยกตัวอย่าง พิจารณาของนอกเลยแล้วก็ให้เข้าใจถึงความไม่น่ารักไม่น่าใครอสุภะแล้วจะหน่ายจะคลายอย่างเงี้ยก็ไปให้พิจารณาเนื้อนั่งเนื้อนั่งเน่าเน่าอะไรเน่าน่าเน่ามันก็เบือ่อแต่มันเป็นสภาวะของอาการจิติคุณชังเป็นสะโทสะอาการชอบเป็นสะราคะเขาไม่ได้อธิบายพวกนี้ใช่ไหม มันไม่เข้าหาเจตสิกหรือไม่เข้าหาเจโตปริยานสิหตัวต้นสาราคะสโทะโทตสองสโมหะตัวสามทำให้เป็นวีตาราคาวีตะโทสะวีตะโถถถถถถมหะตัวที่สี่ที่ห้าที่หกนี่ก็หแล้วเจโตปริยานหตัวก็อ่านรู้เออต้องทำทำมันจะทํำยังไงแล้วมาให้ไม่มีวีตะคือทําให้ไม่มีมันมีราคารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยอาการมัน มันมีราคาต้องทำให้ราคจางคลายหรือดับนี่หน้าที่เราจะรู้แล้วก็ต้องทำประหารประหารประทานเพียนประหารด้วยการประหารห้านี่มันมีหลักฐานหลักทำหลักสูตรของพระเจ้าหมดเลยเอามาใช้ถ้าไม่รู้ก็ได้แต่ท่องไปแต่เวลาใช้ใช้เมื่อไรใช้ตรงไหนใช่กับ ระยะไหนช่วงไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้พระเมื่อจับตัวนี้ได้ก็ใช่ละวิคัมพนาปหารหรือตทางกระพานแต่ทางแปลว่าเป็นครั้งคราวแต่ครั้งคราวนี่คือมีวิปมีปัฒนาวิธีถ้าสมาธิมัก็กดขม่มเฉยๆดืด้อไม่ให้ ม, ม, มันมีอาการแรงถ้าวิปัชนาเขา เ, เรียนด้วยความพิจารณาความจึ่งความจริงความรู้ว่า ไอ้ผีพวกนี้เนี่ยมันตัวไม่จริงนี่เป็นตัวสําคัญมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้หรอกแต่มันมายึดแล้วเราก็เป็นโลงมันว่ามันจริงเป็นจริงเป็นจังแล้วมันก็ม <oughs> ีม <rumors> ึกจริงๆเลยนะมันมีรสมันมีชอบมันมีชังมันมีสุขมันมีทุกข์มันมีจริงๆเลยมันมีอัตราตัวตนจริงๆมันเป็นอาการอยู่ที่จิตเราเนี่ยมันไมายึดมาตักี่ล้านปีแล้วก็ไม่รู้ ก้าวโมงสิบหกละก็สิบเก้าหกนะแล้วเชื่อไหมว่าอาตมาอธบายไปได้ในอีก4ปี <c oughs> และอธิบายอย่างนี้นในลำคาญไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมจะดีเห็นไหมมันก็ละเอียดลึกซึ้งขึ้นละเอียดละเอียดชัดเจนขึ้นอ่าเป็นหนังฉายชายือดอะไรเงี้ย แต่มันอยู่ในเรื่องมันก็เลยเออนี่ไม่เลอะเลยเธอมันเข้าเรื่องแฮะมันก็ดีใช่ไหมอา้าวไปต่อวันพรุ่งนี้ว่าเราจะกายในกายนี่กายนอกกายนั่นเะองไม่เลื่อนเข้ามากายในกายเลยนะจริงๆรนะิะมันก็มีกายในกายเวทนาจิตไปแล้วยังเหลือแต่กล่าวคําว่าทำในทำเท่านั้นทําในทำก็ทรงไว้มันทรงไว้ด้วยความยังไม่แก้ไขเป็นอุปทานเป็นตัวยึดอยู่ ก็เลยยังพูดยังไม่ถึงยึดอะไรกันยึดนั่นแหละสาราค้าคุณก็สร้งไม่ยิดไว้ทรงไว้คุณก็ยังไม่ให้ใครไปแตะไปต้องมันเลยนะอุปทานของข้าใครอย่าแตะพอมันเคลื่อนตัวมาก็เป็นตันหาตันหาของข้าใครอย่าขวางท่านจะให้ตันหาฉันทำงาน <c oughs> มันก็เป็นเช่นนั้นนะอ้าวค่อยไล่คล่อยอธิบายต่อไปสรารวันนี้ก็คงโจะไวทอนิคอนได้ยินไหมล่ะเคยได้ยินหมอลำไหมโจะไวทนิคอนมือนาฟ้าไมเดอพี่นอ้องอ้าวทีนี้ ใครจะเป็นคนพูดคนอะไรเตรียมตัวเมื่อวานนี้ไม่ได้ตั้งหลักก็เลยไม่มีใครว่าไงสมณะก็ดีศิกามานก็ดีอา้าวนีหลายูนหลายคนอยวันนี้โอ้วันนี้สมณะหลายหน้าหลายตาอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนิมิต ด, ดเีเป็นนิมิตหมายที่ดีอา้าวใครจะจะจ ะ, จะทำยังไงก็แล้วแต่จะสรุปอวด สมควรของตัวเองหน่อยก็ได้ถ้าไม่มีใครซักถามถ้าซักถามก็ดีจะได้ไขความกันถ้าสรุปก็ดีนะสรุปก็ได้จะวิจัยวิจารณ์ก็ได้สักถามก็ได้จะวิจัยดูก็ได้สรุปก็ได้วิจัยก็ได้สักถามก็ได้เพอเจอไม่เอาเอาเนื้อเนื้อสรุปได้วิจัยวิจารณ์ได้ซักถามได้ แต่เพื่อเจอไมนะ่เอากลามธึงมรดกกา ร, การพ่อครูครับอ้าวเลยใครจะไอ้นั่นยกมือนะแล้วเขาจะเอาลไปไมโครโฟนไปให้จเจริญทำครุและนิสิต ย, ยื น, นขึ้ น, นได้ก็ดีะจะได้เห็นตัวชัดเออนั่นแหละจะได้รู้ว่าใครอยากกลาวนิมนต์พ่อครูฉายช้าๆตอนท้ายนะครับที่บอกว่า เราหลงติดมาหลงอร่อยมาเรียกว่ามันหลงมาหลายร้านชาติไม่รู้ว่ากี่ชาตินะครับอยากให้พวกครูขยายช้าอีกอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้หลายรอบไม่ต้องห่วงวันนี้มันหมดเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้มันหมดเวลาก่อนครับเออครับก็มันหมดเวลาเราจะได้ขยายอยากให้พวกครูใช้ใช้ต่ออีกสักนิดนึงนะครับเอานาเดี๋ยวค่อยต่ออ้าวมีปัญหาอื่นไหม ถ้ามันมีปัญหาอื่นก็มาขยายต่อก็ได้เข้าใจจะให้เทศต่อนนเนี่ยมันบอกเวลาไปแล้วนั่นนี่เราจะพักต่อราจะให้เทศต่ออ้าวครูขออนุญาตอ่าฟังขยายกายะวิญาณนะครับฮะกายะวิญาณนะครับอะไรนะกายะวิญาณนะครับกายะวิญาณครับอ่าหัวข้อเดียวครับอ้าหัวข้อเดียวอาสองสองสองคนละอันเดียวกันเลยสองคนเนี่ย คนนึงมัขยายต่อแต่ไม่ระบุลงไปว่าขยายอะไรมันต่อเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องต่ อ, ตอเนื่องอยู่เนี่ยอ่คนนี้ระบุลงไปว่าเอากายวิญญาณอ่ใครมีเรื่องอะไรอกีกไม่มีก็จะได้ขยายกายวิญญาณเนาะเอาไมโครโฟนบอกให้ยกมือก่อนไงแล้วเขาจะยื่นเดินทางมามันมีไมโครโฟนหลายตัวอยู่ไม่ใช่เหรอตัวหนึ่งเขาถือไว้ก็เขาถือไปพูดไป คนนี้ยกมือทางนี้ก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งเดินทางไปถึงและคนอื่นยกอีกก็เดินตัวนั้นเดินทางไปถึงมันก็ไม่ต้องเสียเวลาเอาเล ย, ยคือสนใจตอนที่พ่อครูพูดถึงเรื่องของแกลบวกแกนบว ก, แ, ก, บวกแล้วก็มีตัววิ่งอะค่ะดิฉันหลุดไปคืออยากอยากฟังตัวนั้นถ้าถ้าถ้าถ้าท่าน เปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์นี่ฉันพอจะเทียบเคียงพอจะรู้สึกว่าจะจะพอจะรู้นิดๆนะฮก็ใช่ก็อย่างงั้นก็เทียบเคียงเงินเพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มันเป็นพฤติกรรมของทางวิทยาศาสตร์อันเดียวกันน่ยถ้าเข้าใจหลายคนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาน่ไม่ได้เรียนมาอัตมาข้าพระยำคดิีอธิบายเลยว่ามันมีแกนตั้งแกนหลักกับแกนวิ่ง เนี่ยว่าแกนลบกับแกนบวกพลังงานศักก์กับพลังงานจราณีพลังงานถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็พลังงานศักก์กั potential energy ถ้ามันวิ่งมันเคลื่อนไหวกับพลังงาน kinetic energy อย่างนี้เป็นต้นคําว่า potential เนี่ยไม่ใช่มันนิ่งเฉยๆนะมันเป็นอนุัยอาสวะมันทํางานนะมันในอาสวะมันแตกตัวมันทําพลังงานก็มันอยู่นะมันมีหน้าที่นะ แม่คนไม่ได้เห็นมันมันเหมือนกับอะไรมาปิดบังแหว่งกบดานอยู่ร่วงรู้มันไม่ถึงแต่มันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันทำงานจะมีพลังแฝงมันไม่นิ่งหรอกมันทำงานเพงมันแตกตัวของมันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นพลังงานที่หนึ่งดาวถามเนี่ยมันก็คือขยายความไปโน้น องค์ประชุมกายวิญญาณขยายไปกว้างก่อนวิญญาณคือธาตุรู้มันเกิดแล้วจะมาศึกษาตรงไหนต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยตามหลักปฏิสมุบานก็ดีตามหลักมูลสูตรก็ตามมูลสูตรนี่เราต้องเวลาจะปฏิบัติฉันทัพเป็นมูลมนสิการเป็นแดนเกิดผัสสะเป็นสมุ ท, ทยัยวันเหตุมัก ทางปฏิบัติเหตุปัจจัยได้ว่ามาก่อนจะเป็นผลคุณก็ปฏิบัติสมุทัยต้องมีพัรษะตามมูลสูตรท่านะบุว้ชัดข้อสาต้องมีพรรษาถึงจะไปการปฏิบัติถ้าไม่มีภรรษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีพรรษาไม่มีการปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นเพียงตรวจสอบเตวิโชไม่มีการปฏิบัติแต่มันก็สังเคราะห์กันข้างในเพราะคําว่ากายแปลว่าองค์ประชุม องค์ประชุมข้างนอกหรือองค์ประชุมข้างในก็ตามพออะไรมันมาร่วมกันประชุมแล้วรูปและยนนามนะมันมีความมีชีวะแล้วมันก็มีตัณหาอยู่ในชีวะเพราะมันไปกระทบสัมผัสกับอะไรเข้าปั๊บมันก็รู้สึกมันก็มีอาการทํางานเรียกวคติคตโตมันก็ทําดําเนินไปเลยเกิดการดําเนินไปมันไม่นิ่งเกิดปฏิกิริยาเกิดอาการอาการวิ่ง ที่นี่แกนใจของคุณน่นแหละแกนบวกแกนเจรณะคุณมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างพระอาหารหันต์เนี่ยท่านมีแกนบวกที่ท่านไม่หวั่นไหวแล้วเป็นอนเนญชาอนเนญชาคือไม่หวั่นไหวนิ่งแข็งแรงเป็นอาการของจิตลักษณะของจิตคุณสมบัติของจิตที่มันมีอยู่แล้วเป็นแกนตั้งแข็งแรงน่ะ เพื่อที่จะให้พลังงานซึ่งมันแยกกันไม่ออกพลังงานคเคมีกันเอนที้หรือพลังงานวิ่งเป็นควบลบเนี่มันก็วิ่งเหมือ น, <ก>นโปรโตอนเหรอคะเออเป็นอ e ิเล็กตรอนซีวิ่งถ้าโปรโตอ น, ตนโปรโตนี่ก็เป็นแกนหลักเป็นบวกพลังงานบวกอิเล็กตรอนนี่เป็นตัววิ่งตัวเคลื่อนไหวเป็นเคมีกันเอนที้เป็ น, energy, ปนพลังงานชนหรือพลังงานจราจรคำนี้คือจอจานรอลิงนหนูกรลัน จรระณะแปลว่าการเคลื่อนไหวนะมันเคลื่อนไหวอยู่จะเร็วเท่าไรถ้าแกนหลักมันแข็งแรงเวียงเท่าไรมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่เคลื่อนนไม่หวัน่นไม่ไหวก็นิ่งนั่นแต่ถ้าคุณวิ่งเร็วๆแกวแงเร็วๆเคลื่อนเร็วๆหมุนเร็วๆแกนของคุณไม่แข็งลมลมละเนระนาเป็นไปเลย มันเป็นลักษณะธรรมชาติเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะจริงเถียงไม่ได้จิตวิญญาณก็เหมือนกันมีสองแกนมีสองสภาพอันนึ่งเป็นแกนตั้งอีกอันนึ่งเป็นแกนวิ่งสองสภาพเหมือนกันนะเพราะเมื่อเกิดการประชุมกันขึ้นมามันก็จะมีพลังงานต่างๆหลายอันสรุปลงมันก็จะมีแกนตั้งและแกนวิ่งนี่แหละเพราะั้นในแกนตั้ง คุณก็สร้างความแข็งแรงคุณแต่ก่อนคุณไม่ได้สะสมแกนตั้งที่สะสมเป็นแกนของจิตดีจิตสะอาดจิตกุศลคุณก็เอาอนุัยเอากิเลสอาสวะมาใส่ตั้งตั้งตั้งตั้งมันก็ทำงานมันก็ออกพลังงานที่มันมีลักษณะกิเลสของมันมันก็ไม่สะอาดมันก็ผสมส่วนไปเรื่อย แต่ถ้าคุณได้เรียนรู้ละล้ลางตัวไอ้ที่มันเป็นตัวผีตัวผิดตัวไม่ดีออกไปเรื่อย ๆ, ๆแกนตั้งมันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าจิตหมดกิเลสมันมันก็จะเป็นเพียวใช่ไหมเออ <จะ S 1> มันจะเป็นแกนตั้งจะผแกนของแขง็งแรงออของ อ, อารหันเนี่ยเป็นลากระทบสัมผัสมันจะผสมจากข้างนอกมามันมีตัวกิเลจากข้างนอกนั่นแหละ มันเป็นตัวผีอยู่ข้างนอกมากระทบสัมผัสแต่เมื่อปัญญาคุณรู้ว่าเองที่ผีปัญญาแกนตั้งก็เออผีเหรอสู้มันักแล้วผีขนาดนี้ดุขนาดนี้เราก็สู้ได้ก็มีประสิทธิภาพของแกนตั้งประสิทธิภาพของเจโตประสิทธิภาพของพลังงานศักดิ์ผียังไงมันก็ไม่เคลื่อนอนเนินชาไม่วันไว พระองค์ประชุมของพลังงานบวกและลบของคุณเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพจากทั้งแกนตั้งและแกนวิ่งแกนวิ่งนึงก็มีอันนี้หมายมันต้องข้ามขั้นไปอธิบายถึงศักปรปัเจ็ดเลนะหรือเวทนาแหละเวทนาร0 8ยแนี่แหละถ้าขยายออกไปอีก มันก็จะต้องไปตัวตักกะวิต ก, กะสังกัปปะเป็นตัววิ่งตัวแกนตั้งก็อัปนาพยปน า, ปปนาเจตโซภินโรปนาแล้วทำงานร่วมกันสังเคราะห์กันขึ้นมาก็เป็นสังขารซึ่งมันจะเกิดวจีสังขารก่อ น, นเพราะฉะนั้นนิโรธเกิดในทานทึง วจีสังขารมันดับก่อนแล้กายสังขารถึงดับและจิตสังขารถึงดับทีหลังเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วค่อยๆ อ, อธิบายพอนวาอีกค่อยๆว่าทีหลังเพราะงั้นเมื่อมันสังเคราะห์กันหรือมันสังขารกันอยู่างนี้เป็นองค์ประชุมระหว่างกายกายแวิญญาณนี่คือเรื่องของวิญญาณทั้งนั้นนะ่ะ เนื้อท่าที่สัมผัสและกระทบขึ้นมาไปเกิดวิญญาณนี่ให้เรียนรู้ไหมแกนวิ่งกับแกนเนาะแกนตั้งกับแกนวิ่งเนี่ยมันรวมกันแล้วมันจะเป็ น, นเป็นสังขารคือรวมใช่ถ้ามันยังมีตัวร่วมอยู่เลยว่า ส, สังขารที่กังนี่ภาษาทางอภิธรรมเลยซึ่งจะไปลึกไปในนวลในบัญชนานี่ยมันจะเรียนจิตเจตสิกรู้ผ่าอภิธรรมมนุษย์คือมันเป็นเหตุเหตุอันนี้มันก็คือกิเลสมาชักนํา มาร่วมในการสังขารร่วมปรุงหนึ่งปัญญาฐานปัญญาตักกะวิตกกะสังกปะมันจะเกิดการมาตักกะหรือการแล้วกมาสการมาสังกปะมันจะเกิดการดําบริขึ้นมามันเริ่มดัมดบเริ่มจิตมันเกิดอาการสัตประแต่ต้องปับมันก็มีอาการเกิดจิตแล้วและในจิตนี้มันปรุงออกมาในคนก็วิเคราะห์วิจัยเข้าไป มันมีตัวร่วมอยู่ในนั้นมันมีกิเลสก ร, รมเข้าไปร่วมปรุงแต่งในนั้นหรือเปล่าคุณต้องจับมันให้ได้วิจัยไม่ให้ออกถ้าจับมันได้แล้ววิจัยมันออกแล้วคุณจัดการมันประหารมันเพราะงี้คำพเนะประหารก็ได้ชั่วคราวถ้าวิ ป, ปัสสนาวิธีค่อยๆเห็นจริงแล้วไฟของยานไฟของฌานเนี่ยมันจะทาลายกิเลสไปเรื่อยๆ เมื่อทำลายกิเลสได้ก็เสร็จวิตกจิตที่ดำรินี้ก็ปราศจากวินี่คือไม่ไม่มีกิเลสเป็นจิตวิเศษวินี่เดดีก็คือวิไม่ดีก็คือวิวิก็คือไม่ไม่ให้มันมีวิก็คือให้มันมีอย่างดีวิเศษมันก็จะทำเมื่อคุณสามารถทำให้จิตของคุณจัดการด้วยความรู้นี้ได้มันก็เสร็จ ในการสังเคราะห์วิปัสสนาวิธีสังเคราะห์ฆ่ากิเลสได้จากวิเสร็จเป็นองค์รวมเป็นสังกปะสะอาดแล้วก็ออกมาทำงานเป็นพลังงานจนะรณะพลังงานวิ่งความเคลื่อนไหวก็ผ่านดานอ ป, ปนาพย ป, ปนาเจตโซพิโนคือคุณภาพความสำคัญของความควบแน่นอั ป, ปนาก็ขนาดหนึ่ง พยัญปนะขนาดหนึ่งเจตสโอพิปัตนาก็ขนาดหนึ่ ง, ต, ปปงต้นทํากลางมันปลายที่เป็นคุณสมบัติที่มันเก่งขึ้นจริงตามความเป็นจริงของคุณคุณจะควบแน่นมากเท่าไหร่แนวแน่แนบแน่นปักมัน่นอัตมาพยานเอาภาษาไทยมาแปลสามคำนี่นการควบแน่นนี่มันจะทําให้แกนกลางนี่แน่นขึ้นแข็งแรงแกงนกลางแข็งแรงไงแน่นเพราะฉะนั้นนี่วิ่งมาจะออกไปทํางานน่าจะสังขารนะ ถ้าไปผ่านตัวนี้ไอ้นี่เกิดแข็งแรงพอไอ้นี่ก็กิเลสไ ม, ไม่ไม่มีแทรกไม่มีแซงไม่มีอะไรไปได้เลยมันจะมาทะลุกลางป้อมมาร่วมหมดตรงนี้ตรงนี้ว่าแหมรู้ตัวมาแล้วนะปฏิบัตินะนะแต่ให้มันวิ่งมากิเลสมันจะมาแทรกกลางเป็นตัวมือที่สามหรืออะไรหรือไม่ไม่รู้มันไม่มาก็ผ่านตัวนี้จะมาหรือไม่มาก็ตัวคลองหรือตัวแข็งแรงตัวที่แกนตั้งนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง พองานออกไปทำงานปรุงแต่งเมื่อคุณสกัดได้หรือทำลายได้เลยก็ไม่ต้องสกัดแต่ถ้าไม่ทำลายมันต้องช่วยกันทั้งสองอย่างอันนึงทำลายได้แล้วตัวแกนตั้งก็ไม่ต้องใช้พลังอะไรมากมายก็มันไม่มีม่ไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสเบาง่ายแต่ถ้ากิเลสนี่มันไม่ให้มันจะออกไปสังขารแล้วนะแต่มันยังแรงอยู่สู้มันก็ได้มาถึงนี้ก็ช่วยอีกด้วยแกนตั้งนี่ก็ช่วยด้วย มันมีพลังแกนตั้งนี่คือสุดพลังไอ้ตัวนี้มันปัญญาอันนี้มันพลังเจโตมันก็มีพลังก็จะช่วยช่วยกันสองอย่างนภาษาภาษาอธิบายมันไม่มีมากกว่านี้แล้วถ้ามันจะละเอียดกว่านี้ลึกซึ้งก็ยกให้แต่ละบุคคลใช้ความฉลาดของแต่ละคนเข้าใจเอาเองอะไรกันมาหมดปัญญาที่ไม่มีภาษาอธิบายมากกว่านี้เพราะงัเพื่อผ่านไปเป็นสังขารสมมุติว่าไอ พลังปัญญาก็ช่วยได้ดีมากกิเลสก็ไม่มาดื้อมาเท่านี้พลังแกนตั้งก็ต้านไม่ได้ตกลงมันไปสังขารที่จะออกไปข้างนอกเป็นวาจาเป็นกรรมมันตะเป็นอาชีวะก็เป็นวจีสังขารวจีสังขานี่เป็นจิตสังขารยังไม่ได้ออกมาเป็นวจีกรรมมันเป็นสังขารเป็นคําพูดและคุณเป็นคนไทยก็เป็นภาษาไทย คุณเป็นฝรั่งคุณไม่รู้ภาษาไทยมันไม่ออกมาเป็นภาษาไทยแล้วคุณไม่รู้ภาษาไทยมันก็ออกเป็นภาษาฝรั่งประเวจ e ีสังขรารคุณอยู่ตรงนั้นแหละแต่คือหมายความว่าอันนี้ลักษณะเนี้ยนะไม่อยากกินมันก็คืออยากกินอยากกินเป็นภาษาไทยก็คือว่าภาษาไทยว่าอยากกินภาษาจีนเนว่าไงก็ว่าไปสิภาษาฝรั่งเนี่ว่าไงอยากกินก็คือตัวนี้อาการนี้แต่มันภาษาของใครของมันเป็นวจีสังขารปรุงอยู่ยังไม่ออกมาเป็นพยัญชนะยังไม่ออกมาเป็นภาษาคําพูด ก็ไปอีกทีหนึ่งก็คือตัวอัปนปนาภารปนาพวกแกนตั้งนี่แหละมันจะช่วยต้านไว้ก่อนจะขยายออกมันก็ตัวนี้เป็นตัวกรองสุดท้ายที่จะปล่อยให้ออก ม, มันเหมือนการกรันใช่เป็นการกรันกรองเป็นการจัดการเป็นการสังขารอภิสังขารเนื่อเอาน้ำออกเพื่อเอากิเลส เ, <อ>เพื่อเอาตัวเหตปัจจัยตัวซวย ตัวผีตัวร้ายตัวอกุศลตัวไม่ดีไม่ให้มันมีบทบาทอยู่ในพลังงานจิตเรานีชฉายชาไม่จริงๆชิชาหรือยังเออถูกพอใจนะเออดีนี่แหละตกลงสามคนถามนี่ได้ตอบหมดไปพร้อมๆกันแล้ว อ, อ, อธิบายไปพร้อมๆกันหมดแล้วขอาการาบพระครูนะครับอ้าวอ้าคือ อาจจะเป็นช่วงแรกที่เรายัางยังไม่มีรูปแบบผมอยากเสนอรูปแบบอย่างหนึ่งนะครับอ่านี่เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งครับครบาวนี้จะค่อยฉลาดหลังจากพ่อครูหนึ่งช่วโมงแล้วก็สรุปหรือประเมินกั น, นอีกหนึ่งช่วโมงใช่ไหมครับคราวนี้60นาทีเนี่ยคิดว่าน่าจะแบ่งเป็นทักสามช่วงช่วงที่เผื่อพวกเราช่วงที่หนึ่งเนี่ยถ้าคงจะในบบวันนี้ใครยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่กระจ่างก็จะเปิดโอกาสให้ทักถาม ช่วงแรกประมาณสัก20นาทีแล้วก็พอช่วงที่สองเนี่ยก็อยากจะให้นิสิตที่เรียนกันเนี่ยช่วยกันสรุปว่าเราฟังวันนี้เราเกิดความเข้าใจในในเรื่องอะไรบ้างในมุมอะไรบ้างของแต่ละคนไม่ใช่เอาแต่ถามครับคือคือคืออยากจะให้มันได้เข้าใจไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นหรืออะไรใหมด่ดีๆเ น, น, นเอออะไรสราซึ่งบอกเพื่อนมั่งไม่ใช่อุ๊บไปคนเดียวก็เป็นการเรียกว่า ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคือคือเคิคคคเห็นพวกเราสรุปวีดีโอเนี่ยก็จะใช่นึ ก, กออกไหมยุคที่ยุสรุปวิดีโอครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าเวลาสรุปวีดีโอเนี่ยคือไปดูหนังมาด้วยกันนะแล้วก็มาเล่าเรื่องที่เราไปดูด้วยกันสู่กันฟังนะพระเอกเจอนางเอกว่าอย่างนี้นเจออย่างง้นอย่างนี้อะไรคือก็เป็นเรื่องที่เรารู้ต่างคนต่างรู้ด้วยกันคือไปไปดูมาด้วยกันนะ ดังนั้นก็ให้ดีเนี่ยคือพยายามที่ไม่ไม่ไม่ไปเล่าเรื่องที่เราก็ดูมาด้วยกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอยากคนคนจะเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเรื่องที่เราเลือกเอออันนี้คนอื่นจะรู้ไหมเนี่ยอะไรหรือว่าเราเป็นความเข้าใจในละบุมนี้นะความเข้าใจในระบุมนี้อแต่ถ้าวันนี้เราฟังวันนี้ฟังอะไรบ้างก็ฟังหนึ่งคนมีดีคนดีสองมีงานดีสามอะไรดีติดเก้าข้อ อันนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ฟังมาเหมือนเันหมดแล้วแต่ว่าใน19ข้อเนี่ยเราถืกว่าปิ้งข้อไหนบ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าเราปิ้งข้อไหนแล้วเกิดสะดุดใจข้อไหนหรือว่าปฏิบัติข้อเนี่เป็นข้อบกพร่องที่เราเห็นว่าในหมู่กลุ่มเราเนี่ยยังขาดอยู่เยอะเลยเห็นก็เหมือนกับเอามาช่วยกันสังเคราะห์ว่าเราฟังไปแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจเกิดข้อที่เราจะมาร่วมกันสังเคราะห์อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาคภาคที่สองส่วนภาคที่สมเนี่ยก็จะเช่วย นี่นต์สำนักิคมาช่วยกันขัาบวดคิดว่าถ้าสำนักิคมาพูดก่อนเนี่ยมันก็จะจบไปเลยหรือว่าเื่อนเราก็จะต่อขึ้นมายากแล้วการกันสำนักสิคมาจจช่วยกันขับบวดอีกทีนึงว่าทั้งหมดเนี่ยจะตกลงช่วงแรกยีสนาทีถาม อ, อีกยีนาทีแสดง20นาทีหลังนักบวชสรุปจบ อย่างงั้นค ร, รับ<ข> อ, อ่ะอ้าวตกลงแรกผ่านไปแล้วอทีนี้ใครมีอะไรใหม่ใครมีอะไรว่าอันนี้อย่างที่ท่านเดินดินว่าไอ้ที่ต่างคนตักงดูด้วยกันอันนี้เพื่อนก็รู้แต่ใครก็ดูเข้าใจหยีบจ่าองี้ไม่ต้องเอามาพูด อ, อกเสียเวลาเอาที่ปิ้งโอ้โหอันนี้ลึกอันนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินของน้อนะของค น, คนอื่นเขาอาจจะไม่ปิ้งยังก็ไม่เป็นไรน่ะมันจะเราจะได้รู้ว่าโอแง่อย่างงี้คนเขาคน คนนี้ไม่เคยรู้เลยเรารู้รอันนี้โอ้ไม่เห็นเป็นเรื่องซ้าสาคัญอะไรแต่คนอื่นหลายๆคนก็บอกโอ้อันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้ไม่เคยอันนี้ใหม่อันนี้แปลกเอามาเผยกันมันจะได้ครบครบไงอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องสามมันรู้ร่วมกันมหมดหมดมันก็ธรรมดาแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเออมุมนี้มันลึกซึ้งมุมนี้มันแปลกมุมนี้มันโอ้โหเข้าท่า แล้วติดมานานแล้วแล้วล้องมานานแเพิ่งได้วันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยังไงล่ะสำคัญสรุปใช่ไหมคะท่านอย่างยัางไม่ใช่สรุปบอกความใหม่ไปความแปลกไความเป็นวิจัยออกมาว่าเออเราได้อันนี้มีอันนี้นี่นี่ะสรุปในทางนักบวชจะสรุปกลาวขอโอกาสค่ะที่ฉันก็อยากถ้าสรุปจะยาวสรุปทั้งนี้ต้องรู้จักวิธีสรุปอยากจะพูดว่าตัว ตัวเองตัวดิชันเองนี่ก็คือเคยเจอบ่อยๆคืออารติวิรตินะคะออมันมันอยู่ในจิตใจเวลามันมามันเป็นอรติหแบบมายความว่ า, าให้เว้นให้เว้นให้ห่างให้ขาดให้เอาออกอารติวิรติปฏิวิรติก็คือไม่น้ำหนักสูงขึ้นอนะมันมันเป็นการอาการเหนื่อยหนักอารติ วิรติปฏิวิรติเวรมณีนี่มีสี่คำเอาละออกห่างออกเว้นออกขาดเลยอย่างเวรมณีนี่เว้นขาดขาดเลยไม่เอาคำว่าเวรมณีคิดว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะถ้าเจอเจอแล้วมันรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยเฉะแะอะไรจริงๆคล้ายๆอย่างนั้นแหละคะ่ะเ่าเคยอายความนิด น, นึงว่า ไอเว้นออกเนี่ยนะหรือออกจากหรือหลุดพ้นเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความตื้นตื้นแค่ว่าเอาออกห่างไปไอเนี้ออกไปไอเนี้มันใช่เริ่มต้นแบบหยาบไอเนี้ อ, ออกไปห่างดีไม่ดีไม่เห็นหน้ากันเลยอย่างพวกที่ฤาษีเรือร่อพวกปฏิบัติข้างนอกเขาเนี่ยเขาจะห่างทิ้งไปเลยนี้ไปเลยสมบัติวัตถุกรรมเกินอะไรเรื่องอะไรเข้าป่าเขาทาไปเลยเงินทองทรัพย์สินไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็น ไอ้นั่นมันเว้นขาดประเภทมันเว้นจริงๆเลยนะเนี่ยนะหนีไปเลยท่านเรียกภาษาบาลีท่านเรียกว่าโล ก, กันแปลว่าหนีไปสู่ที่สุดแห่งโลกโลกะในแปลว่าโลกกันตาในแปลว่าที่สุดเอ อ, อันตะโดยที่สุดก็เป็นโล ก, กันท่านแปลเอาความว่าวิ่งไปหานรกโลกันนี่คือนรกกลุมเบลอตกไปตรงนั้นมืดดํายิ่งกับหลุมดํา ลุมดำเดี๋ยนก็ยังไม่มีใครจัดการได้เลยลุมดำของโลกไม่รู้มันหายไปยังไงฮะวับไปเลยหมดไม่มีอะไรเหลือมันไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้อะไรอีกแล้วนะไ อ, อย้ยางงั้นน่ะมันไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาไ อ, อย้ยางงั้นน่ะมันหายไปเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นการละเว้นเว้นขาดลีเว้นเนี่ยหรือลีเล่นสัน ล, ลีนะเนี่ยคือให้จิตนี่มันหลุดกันออกมา เว้นออกมามันห่างออกมามันไม่ดูดดึงมากเราจนกระทั่งมันแตะมันก็ไม่ดูดมันก็ไม่ทําปฏิกิริยาจนกระทั่งสุดท้ายมันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเพื่อนสองอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีสองสิ่งเหมือนสิ่งเดียวเราก็รับรู้เฉยๆแล้วเราก็จัดการร่วมกันทํางานไม่เกิดอารมณ์อารมณ์นีนหมายความว่าอารมณ์ปรุงแต่งไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่งโมผผามาสีแดงก็รู้สีแดงแต่อารมณ์คือ เออแดงนี่ชอบวะโอ้แดงอย่างนี้ไม่ชอบกต้องแดงงงชอบนั่นคืออารมณ์ปรุงแต่งกินเลเข้าไปร่วมถ้ารู้ตามตรงทุกคนเห็นพาวมาแดงเจ็กกว่าแดงฝรั่งกว่าแดงแดงอย่างนี้แต่เขาใช้ภาษาของเขาแต่เหมือนกันทุกคนสภาวะเดียวกันคนไทยก็แดงฝรั่งจะบอกว่าเรสจีนจะบอกว่าอะไร อะอังอะไรก็ว่าไปมันก็เท่ากนั้นเองภาษามันแต่สภาวะเดียวกันอันนี้เห็นตรงกันหมดในมนุษย์โลกทุกคนเป็นธรรมชาติเดียวกันแต่อารมณ์ที่มันเกิดชอบเกิดชังเกิดผลักเกิดดูดอันนั้นแหละคือตัวที่เราจะต้องอย่าให้มันเกิดให้มันห่างให้มันเว้นให้มันขาดให้มันไม่มีหลุดพ้น เมื่อมันไม่มีมันก็ไม่มีเพื่อนสองมันก็ขาดกเว้นก็หลีกก็ขาดเว้นขาดได้มันศูญไปได้ภาษาพวกนี้ก็เป็นไวโพ์กันเพ<ก>ราะการกปฏิบัติของพุทธเจ้าถ้าไม่ยิ่งหนีห่างไปเลยอยู่นี่แหล ะ, ละก็ทําให้เกิดสัน ล, ลีนะหรือเว้นขาดหลีกเล่นเว้นขาดอยู่สัมผัสสัพันนี้แหละจนไม่มีเพื่อนสองนี่แหละในสัน ล, ลีนะสูตเนี่ยอธิบายว่าใช้ระบบการหลีกเล่น ไม่ใช่หนีไปแตจิตมันหมดการปรุงแต่งกันนี่คือเป็นการหลีกเล่นในวิมของพระอริยเจ้าในสิลลสัน ล, ลีนัสูตรนี่เพราะงั้นหลีกเล่นก็หนีไปแต่ปา่าแต่ก็ใช้ได้ใช่ว่าจะจะใช้วิธีนั้นหรือว่าความหมายนั้นเราหนีไปพักผ่หลีกเล่นเอาตัวร่างกายไปมันก็ใช้ได้ เพราะนี้ก็รู้ร่วมกันอยู่แต่ในธรรมะของวินัยพร ะ, พระอริยเจา้ามันหมายความลึกซึ้งอย่างนี้เอายกมือข้างหลังคุณใบฟา้ากาวข้โอากาสค่ะดิฉันได้ฟังทฤษฎีงานที่พ่อครูได้กำหนดถึง19ข้อเนี่ยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นทฤษฎีที่ เป็นทฤษฎีบุญนิยมในการทำงานค่ะใช่เสร็จแล้วก็ก็เกิดความรู้สึกว่าณนะเวลานี้ที่เป็นปัจจุบันนรรมนะคะพวกเราทั้งหมดนี่สิทั้งหมด140กว่าชีวิตนะคะเรากำลังมาร่วมกันทำงานใหญ่มากๆค่ะ ให้กับการสถาปนาองค์ความรู้ภายใต้องค์ประกอบที่มีพว้ครูเป็นวิชาวิชาจารย์ใหญ่นะคะมีท่านสำนักเป็นวิชาอธิบดีวิชาธิบดีค่ะขอภัยค่ะ <laughs> นะคะแล้วก็มีพวกเราลงทางท่านสมมนานักศิกรรมพาซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญอีกเส้าหนึ่งนะคะก็คิดว่าเัีนันก็เกิดความคิดว่าคงจะต้องสตี19บข้อนี่แหละค่ะที่เราต้องชื่นนาให้ดีแล้วก็เอานําไปใช้ทั้งระดับที่เป็น องค์กรใหญ่ก็คือวอนโบของเราแล้วก็องค์กรเล็กๆนะคะกลุ่มเล็กๆ ก, ก็คือทีมแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้งสมดในในส่วนของนิสิตทั้ง11กลุ่มเนี่ยนะคะที่จะต้องเอาแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นไปพิจารณาดูว่าองค์ประกอบของกลุ่มเราแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเราให้มีความสมบูรณ์พร้อมให้มากที่สุดนะคะเท่าที่ในทีมงานเราจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เนี่ย เราก็คงจะมีพลังเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันเอกีภาวะแล้วก็เข็นงานสำคัญของพ่อครูที่จะสราปนณาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้โรงเรียนโลกรุตระนั้นแห่งแรกนี้เป็นไปได้และเป็นที่ประจักษ์ในสัคงคมถูกต้องหรือไม่ครับท่านถูกต้องชชยโย่ได้แล้วเข้าใจไปขึ้นหนึ่งละคนอื่นๆก็คงจะเข้าใจด้วยมั้งอาจมาว่าพูดขึ้นมาก็คงอยู่ในใจพอเข้าใจนี่แหละทั้งหมดนี่แหละ สรรค่าสร้างคนแล้วจะเป็นพ ฤ, พฤติกรรมหรือว่ามีองค์ประชุมของชีวิตกับการงานนี่แหละหลักเกณฑ์สข้อนี่แหละค่ะน้อมขอโอกาสค่ะและฉันดาวเพนนาวาบุญนิยมค่ะเห็นด้วยกับคุรุใบฟ้ามากค่ะเพราะว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมานี้เขาไม่ได้เคยสอนแบบนี้เลยค่ะ เราเราไปเรียนหัวผุหัวพังไปเรียนเรื่องทุนทางสังคมไม่ไม่มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นเป็นความผิวเผินที่เขาสอนมาเฉยๆคะ่ะก็รู้ ง, งูปลาาค่ะเพิ่งเพิ่งมารู้วันนี้นะคะเพิ่งเพิ่งมารู้จักพ่อจ้าปัญญาโทมาแล้วมาเพิ่งมารู้วันนี้ค่ะหมดเงินไปหลายแสนแล้วแต่ยังไม่รู้เลยก็รู้สึกว่าข้อหนึ่งถึงข้อสาม ท, ที่ที่พ่อบอกนี่คะเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นทุนแท้นี่ลุงไม่เคยได้ยินเลยค่ะครั้งแรกจริงๆค่ะเป็นทุนแท้โอ้สุดยอดเลยคิดดูเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนที่ดีมีงานที่ดีมีความสามารถที่ดีนี่คือทุนแท้ใช่ไหมคะแท้จริงๆก็เพิ่งเพิ่งทราบเสียงอ่ะทีนี้ข้อสี่ข้อห้าทุนแถมก็ไม่เคยได้ยินเลยค่ะในชีวิตโอ้ยทุนแถมทุนแถมทุนเสริมอีกโอ้ยตายแล้ว การที่ใครไม่ออกกำลังกายก็ขาดสอบตกทุนเสริมไปนะคะโอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยแค่แค่เจ็ดข้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นมหาศารค่ะเป็นเ้าทุนไงค่ะเจ็ดข้อนี้คือทุนค่ะเป็นเป็นสุดยอดของทุนเลยค่ะดิฉันฝากความประทับใจไว้แค่นี้แล้วแล้วก็จะเอาไปฝึกทำค่ะที่ที่สอบตกที่ผ่านมาก็คือตัวเอง ไม่ทราบถึงทุนตัวนี้แล้วก็ไม่มีทุนไม่รู้ว่าตัวเองมีทุนแล้วก็มีทุนน้อยเพิ่งรู้อ <laughs> ่านี่วิจัยวิจัยกันออกมาเนี่ยดังนี้อ่ามันเพิ่งเคยไม่ได้เพิ่งเข้าใจและคนอื่นฟังฟังแล้วเป็นไงว่าเออเนอะเห็นด้วยเออหรือว่าเราก็เห็นอย่างนี้หรือว่าเออเราเพิ่งจะเข้าใจเพิ่มตรงนี้ตอนนี้ไอ้ผ่านมาเมื่อกี้เราก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้เลยนะโอ้โหลอย่างนี้เหรอตกลงขึ้นมาค่ะค่ะกราบขอ อ้าวใครใครคว้าไม้ได้ก่อนแล้วต้องยกมือสิยกมือแล้วไม้มาถึงมือแล้วก็เอาเลยอาณาคุณได้ไม้แล้วเอาเลยคนยกมือทีหลังเนี่ยฟ้าฟ้ารักคนยกมเนี่ยคุณไม้ยังไม่ถึงมือคุณคนเขามีไม้อยู่ในมือก่อนดิฉันพยายามจะสื่อนะคะว่าสัคชาสร้างกฎอันแรกเรื่องงานก็คือมีคนที่ดีค่ะเออทีนี้บังเอิญคนที่ดีเนี่ยเมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นคนที่ขั้วต่างกันค่ะขั้วต่างกันพอมากระทบกันปั๊บปีนะ มันก็รู้สึกว่าเออมันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็มันมีสองอย่างดิฉันก็พยายามจะนึกเปรียบเทียบดูนะคะว่าอย่างถ้าเกิดสมมติแต่งโมสองลูกเนี่ยบังเอิญมีคนหนึ่งอุ้มแต่งโมมาอีกคนหนึ่งก็อุ้มแต่งโมมาทีนี้พออุ้มมาปุ๊บเนี่ยคนนี้จิตเดียวกันชอบแตงโมทั้งคู่พอชอบมองหน้ากันปั๊บไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยค่ะเฮย เรามาเอาแตงโมกันไปพากินดีกว่าสรุปแล้วก็คือสองคนร่วมกันกินแตงโมสองลูกหมดเลยค่ะเกลี้ยงอิ่มปรี้พีมันคือต่างคนต่างชอบใจมีความสุขทีนี้เทียบกับอีกสองคนสองคนอีกคนนี้ค่ะพออุ้มมาปุ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบแตงโมทั้งคู่เลยอ๋อแล้วอุ้มมนทาไมคะ <laughs> <laughs> มันน่าจะวางไว้ตรงนั้นนะไม่ชอบ <laughs> คืออันนี้ถ้าเกิดพูดมาแล้วมันไม่ครบก็ น, นี่มนช่วยเสริมนะคะคือก็มันขัดกับความจริงแม่เอ๊แล้วก็ไม่โอ้ ม, มาทำไมแล้วก็ไม่ชอบงั้นก็ไม่เจอแตงโมก็ได้ค่ะพอมาเจอแตงโมปุ๊บโ อ, อ้โหไม่ชอบใจเลยแตงโมลูกนี้นะคะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งลงมือฟันแตงโมเลยอีกคนหนึ่งก็เตะแตงโมรปรากฏว่ามันเป็นลักษณะที่สิ่งเหล่านั้นเน่ยเกิดความเสียหายแทนที่แตงโมจะได้ประโยชน์อืม มันเหมือนคนมาเจอของแล้วผลักออกไปลแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ทิ้งไปค่ะที่ฉันกำลังหาว่าแกนร่วมระหว่างว่าเอาระหว่างสิ่งที่มากระทบกันสองอย่างเนี่ยมาเจอกันแล้วแกนร่วมของสิ่งนี้คืออะไรออค่ะทีนี้แกนร่วมเนี่ยที่ฉันก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นธรรมะ<ช>ธรรมะ<ช>สมมุติ<ช>ว่าคนมีธรรมะเนี่ยมาเจอแตงโมเขาไม่เกิดจิตดูด แล้วเขาไม่เกิดจิตผลักเอมันก็จะมีอารมณ์ได้คิดบอกว่าเอ้เราได้แตงโมเป็นตัวเองแล้วนั่นเอเราได้แตงโมสองลูกเนี่ยต่างคนต่างคิดเสียสละอมันก็คือได้แตงโมสองลูกมารวมกันเออจะเอาไปไหนดีกินสองคนก็ไม่หมดต้องเอามาแบ่งร่วมกันอไปหาที่แบ่งดีกว่าก็ผ่าแตงโมแล้วก็ไปแบ่งกันกินหลายๆหลายๆคน แตงโมก็จะเกิดประโยชน์ได้มากๆากค่ ะ, คะอันนี้ฉันก็ก็มีความรู้สึกว่าเออเรามาเรียนวนอบ อ, บองวดนี้ค่ะมันต้องเจอลักษณะแบบนี้แน่นอนเลยก็ก็พยายามพยายามดูแม้แต่เรามากันสองคนเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันคนละขั้วเนี่ทยทํายังไงจะจับมือกันไปอย่างตลอดรอดฝั่งสี่ปีเนี่ยอ้าวคุณอธิบายไปช่วง น, นึ่งแล้วอาตมาเจาะลึกให้อีกนิดว่ามาเรียนมาปฏิบัติธรรมอริเจ้าเนี่ยเราจะต้อง ล้างกิเลเราชอบกับไม่ชอบคุณสมมุติว่าชอบก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงทั้งคนชอบและไม่ชอบเนี่ยต้องล้างออกหมดเลยชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่เอาไม่ให้มีไม่ชอบกลางมองว่าอันนี้ตาแตงโมเป็นประโยชน์ไหมเป็นคุณค่าอาหารเป็นอาหารได้หรืออะไรก็แล้วแต่เธอจะเป็นประโยชน์ คุณก็ไปมองที่ประโยชน์โดยตัวมันเองเพราะเราไม่ชอบหรือชอบไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวจิตคุณชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนั่นแหละตัวที่คุณจะล้างไม่ใช่คุณจะต้องไปทําลายจะให้คนทําลายกับคนที่แย่งคนรักคนนึงรักคนหนึ่งจะทําลายจะทํำยังไงจะทํำยังไงก็ทั้งคู่อะต้องทํำจิตของตัวเองคนรัก ก็ล้างความดูดความหลักคนชอบคนไม่ชอบก็ล้างความไม่ชอบเมื่อทั้งชอบและไม่ชอบมันก็กลางๆงมันก็จะเป็นตัวปัญญากลางๆงเนี่ยมันทั้งไม่ชอบและชอบมันไม่มีมันจะเป็นตัวปัญญาแล้วก็ดูว่านี่อะไรมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีดูไม่มีผลจะทําลายก็ไม่มีจะเอาก็ไม่มีคนชอบก็ไม่ชอบแล้ว คนชอบก็ไม่ไม่มีไม่ไม่มีชอบคนชังก็ไม่มีไปทำลายมันก็อยู่กลางๆห้องมันก็เป็นแต่เพียงว่าทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนี่แหละได้ทำลายกิเลสแล้วมันก็มดกลางๆก็ดูกลางๆดูว่าแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ก็เอาเมื่อมันไม่ยึดคนชอบคนไม่ชอบก็แบ่งให้ เ, เป็นประโยชน์คนไม่ชอบก็ต้องเอาเพราะเป็นประโยชน์คนชอบก็เอาอ่าก็แบ่งกัน คุณจะทำชอบคุณจะทำไม่ชอบต้องทำลายไม่ทำลายคุณต้องเอาด้วยมาันเป็นประโยชน์<ำ>เห็นด้วยไหมอย่าโ ง, ง่งมันเป็นประโยช น, น์ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันบอกไอ้นั้นชอบชอบทำไมเราเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าเอาก็บอกกันอย่าเอาดีไม่ดีต้องรีบทาลาย ถ้าใครมาเห็นเข้าไม่รู้เรื่องตายรับไปตายอะไรนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะมีเยอะหลายในกันไปอีกมากมายสรุปแล้วก็คือคุณไม่ใช่ว่าจะมาอยู่รวมกันแล้วก็มาเกิดเหตุที่มันต่างกันแล้วก็มาแบ่งกันคนครึ่งไม่ใช่ทั้งสองคนต้องทำให้มาศูนย์ พ, พ่คอครูครับกรณีของคนที่อย่างสมมติว่า มาทํางานแล้วเนี่ยเจอคนที่มีมีความคิดคล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันแล้วก็โอ้โหแบบทํางานไปด้วยกันอ่องร่ององรเนี่ยทีนี้กับอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็มาด้วยกันเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่ า, าทิฐิที่มันต่างทนไม่ไหวก็ผลักออกไปเพราะผลักออกไปคนที่ที่อยู่ ท, ที่ที่ร่วมมือกันตรงเนี้ย ก็ทำงานไปเรื่อยๆเหมือนกั น, นะค่ะแต่ว่ามันเป็นงานที่มันมันไม่ครบไม่เต็มใช่ไหมคะเพราะว่ามันขาดมันขาดสิ่งที่จากคนทิฐิีของคนที่ไม่ชอบมาร่วมด้วยะค่ะไอ้ไม่ชอบนี่แหละมันจะเป็นตัวทำลายมันจะแรงต้องเอาก่อนเอาออกก่อนละอ่าตัวชังตัวไม่ชอบเนะีย<ต>ถ้ า, าตัวชอบอยังไงยังพอ แต่ว่าตัวตัวชอบเนี่ยพอทํำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอ่อตะกี้พ่อครูอธิบายบอกว่ามันมีอาสวะที่ยังทํางานอยู่ใช่นะคะอาสวะที่มันทำงานพรางันถึงต้องทําให้มันศูนย์หมดไงชอบหรือชังก็ต้องพยายามทําให้ศูนย์แต่คุณพูดแล้วว่ามันจะอะไรอะไรก่อนอะไรหลังก็ต้องตัวชอบว่าตัวชังก็ต้องจัดการตัวชังก่อนเพราะมันเป็นโทษกข์เป็นตัวทําลายตัวชอบเนี่ยยังมีประโยชน์ ตัวชอบนี่ยังไงก็ยังมีประโยชน์เพราะว่ามันจะต้องอยู่ร่วมสร้างสรรค์นะแต่ตัวชังเนี่ยมันทำลายลูกเดียวมันก็บรรยายหมดมันก็ไม่เหลืออะไรก็สุดโต่งทางชังนี่ไม่ได้หรอกมันทําลายหมดมันปราบหมดมันกวาดหมดนะแต่สุดท้ายก็คือเอาธรรมะมาใช่ให้ <มา S 1> เป็นศูนย์ทั้งคู่เหมือนพ่อครูกําลังมาจัดการตอนนี้ยู อ้าวเหลืออีกสามนาทีให้สรุปแบ่งเสียมาและสมณะอีกหลายสิบคนสามนาทีสรุป <c oughs> ไม่สามหรอกมันต้องเลยสองทุ่มไปพราะบากมาึงมาเลยไปตั้งสิบนาที1ิกวนาที <c oughs> ก็มันเวลาหมดเนาะ <c oughs> ก็แบ่งกันแล้ววิจัยนี่ก็แค่2ี่สนี่ก็เลย2ี่ส้วจริงจริงวิจัยมากก็เขามากก็อื่นๆละ อ้าวมาสองอันเลยเอาไปให้ทางสมณะนั่งเนี่ยทางนี้ก็สมณะนะท่านั่งแยกกันอยู่เนี่ยทั้งโน้นทั้งนี้อ้าวใครจะอยากสรุปสิบกว่านาทีเป็นเลิกเอาสิบสิบสิบผ้านะอ้าวอย่างมันอะไรเกินเกินไปก็สิบผ้าไมเกินก็พอดีสิบสองทุ่มสิบอ้าวเชิญ กับขอการ์ดค่ะก็ได้ฟังพ่อครูตอนนี้ต้องขอเปิดใจก่อ น, นิดนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวชอบก็ไม่ชอบของตัวเองก่อนคือนิยมหรือว่าชอบให้พ่อครูเทศไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบเรื่องปรมัณิ์ถ้าพูดปรมัติ์ก็จะจดเยอะถ้าพูดทางโลกก็จะจดน้อยน ะ, ะจะเป็นเป็นใจตัวนั้นพอรู้ว่าเออพ่อครูเทศชั่วโมงเดียว เราพวกเราพูดกันก็รู้สึกว่าเออเรายินดีแบบเมื่อก่อนนะยังจับจิตตัวเองได้เรายินดีแบบเมื่อก่อนให้เทศบาลมัตบาลมัดปรมัดแล้วก็เราก็จดไว้แต่พอวันนี้ได้พรรษะพรรษาเรื่องต่างๆก็ได้เห็นว่าตัวเองก็ควรจะเวลามีคนนั้นคนนี้พูดเนี่ยการปรุงแต่งในจิตสังขาของเรามันก็จะมีตัวนั้นตัวนี้โผล่ขึ้นมาถ้าเราทํากับตัวนี้ตัวเหล่านี้ทันนะคะมันก็จะได้ประหารปัจจุบัน แต่ตอนที่เราฟังกับพ่อครูไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่ามันเหมือนเราท่านพาเราไปสู่โลกที่เราก็เหมือนชัดเจนนะตอนฟังอะ่ะมันชัดเจนมันก็ชัดเจนแล้วทีนี้ก็มีโอกาสทบทวนด้วยนะมีเครื่องมือที่ทบทวนได้ด้วยก็รู้สึกว่ามันเหมือนอินมากเลยนะคะพอรู้ว่าชั่วโมงเดียวก็รู้สึกเสียดายเสียดายมันเหมือนคนกินจุอ่ะเคยกินเยอะๆแล้วมากินครึ่งหนึ่งก็เสียดายดันี้วันนี้ก็เลยตั้งใจใหม่นะคะนี้ก็ตั้งใจฟังทุกท่านทุกคนเนี่ย ฉันก็เลยเห็นเห็นปรากฏการในวิญญาณของดิฉันที่มันมันทำงานนะคนนี้พูดแล้วก็มีความปรุงแต่งร่วมอย่างนี้คือพยายามเอาใจไปใส่กับทุกเรื่องที่ใส่เต็มๆนะไม่มาเสียดายอะไรอีกแล้วมันก็จะเห็นการปรุงแต่งการทํางานที่ที่พรอครูสอนถึงสังขารที่มันทํางานเดี๋ยวมันก็มีชอบเดี๋ยวมันก็มีชังเออคนนี้เข้าท่าพูดถูกอันนี้อ้าวนี่มันออกนอกเรื่องหรือเปล่ามันก็จะปรุงไปแต่ว่ามันจะเห็นการทํางานของตัวเองชัดเจน แล้วก็ตั้งใจประหารของตัวเองด้วยนะคะมันก็เออเราก็นึกว่าก็ไม่เสียนะเราก็ได้ประหารชัดๆกับภัสสะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอันนี้คือคือเรื่องหนึ่งของของตัวเองที่ที่คิดนะคะแต่ว่าที่ฟังวันนี้ฟังวันนี้ก็ขอจะเลือกมาสักประเด็นนะคะประเด็นคื อ, อข้อที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบเอ็ดนี่ยมีกระจิตกระใจนะคะที่ฉันไม่ได้ถือหนังสือมาวันนี้นะคะมีกระจิตกระใจ แล้วก็มีความขวนขวายไม่ดูได้ไอ้ข้อนี้ก่อนนะฮะข้อที่สิบเอดเนี่ยฉันก็คิดถึงคิดถึงวันนี้วันนี้มีโอกาสไปที่ลรงปุย๋ยฉันเห็นพี่น้องหลายคนอ่ะไปไปกันโดยเฉพาะฝ่ายชายไปเยอะนะวันนี้ฉันก็รู้สึกฉันเห็นหลายคนเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่กายที่มีกระจิตกระใจขวนขวายขอยกตัวอย่างคุณสังวรลุงปืด๊ดมันมีหลายคนนะแต่แต่ยกตัวนี้อย่างคุณเนนอะไรไม่ต้องยกท่านเป็น เป็นเป็นตัวจริงไปแล้วอันนี้เห็นคุณสังวรเห็นตับปื้ดเห็นนี่เฉก็มามาดูข้อเนี้จะรู้สึกว่าอ๋อข้อนี้นี่นะข้อมีกระจิตกระใจขนกวายฌานของพระโสดาอ่ญาณของพระโสดาบันข้อที่ห้าเนี่ยเป็นแม่โคที่เลี้ยงลูกไปพลางนะแล้วก็เล็มย่ายให้ตัวเองไปพลางคนที่ขนกวายอีคนคนจริงๆเนี่ยพอขอนขวายฟังปรมัดเช่นเห็นเขามานะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พรอครูไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะที่พรอครูเทศเนี่ยเขจะมีทีมขนกวายไม่มากนักนะเฉพาะเขามีเครมือตัวเองบ้างหรือว่าเขายัางไงก็ตามแต่คนจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาที่หน้าจอมาเปิดจอมาก่อนนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปถึงกายกรรมนะฮะในการทํางานในการไปขนกว้ายเวลามีเรื่องหนักๆอะไรเงี้ยรู้สึกอ๋อพอพอพอฟังปรมัดเนี่ยนะคนที่ฟังปรมัตดหรือฟังธรรมอย่างอย่างเข้าไปในใจโยนิโสมนัสิกาเนี่ย มันจะต้องไปเปลี่ยนที่ ก, กยายกรรมวจีกรรมเพราะมโนโกรรมมันเข้าใจแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมันรู้ไงว่าอันนี้เป็นบุญได้ชําระได้ล้างได้เปลี่ยนเพราะบางทีเราฟังไปเยอะๆนะเราฟังไปเยอะๆๆแล้วเรารู้สึกว่ายินดีกับการฟังเหมือนที่ยันที่เคยเป็นเนี่ยยินดีในการฟังเนี่ยการขดขวายในการทํางานหรืออะไรมันจะมันจะลดลงเพราะเราเรู้สึกว่าชอบเรียนเรียกว่าอะไรอะข้อที่พลังปัญญานะ่ยมันรรู้สึกว่านิยมพลังปัญญานิยมพลังปัญญา แต่พอพลังวิริยะมันจะต้องเกิดในปัจจุบันปัจจุบันที่มีภรรษะเนี่ยมันก็จะอ่อนลงมันจะเอาปัญญานะ่ยมันชอบตัวเนี้ยมันก็จะชอบพอถึงวิริยะถึงความเพียรมันก็จะอ่อนลงแต่ถ้าเราทำสองตัวนี้คู่กันนี่นะฮะพลังปัญญากับพลังวิริยะเนี่ยต้นหนกับต้นกลเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทั้งคนอะไรกระปรี้กระเปรา่ามีกระจิตกระใจก้นกวายคือมุทุปูเตเนี่ย พอทาตัวนี้เป็นกายกรรมมันก็จะมีความคล่องตัวมิตรดีสหายดีเพื่อนอะไรก็จะเยอะงานก็จะเยอะพอถึงตรงนี้เนะี่ยภาษาเยอะฮะภาษาเยอะเรื่องยาวเยอะก็ชักร้อนีน่ยังก็เคยเป็นมาก่อนชักร้อนชักชักเหนื่อยชักร้อนแล้วเวลาทําอะไรก็จะร้อนร้อนรีบรีบรนรนแล้วก็จะดูดุอัตาก็จะขึ้นนะอัตาก็จะขึ้นเพราะไปหลงหลงงานภายนอกมากอัตาก็จะขึ้นพอ พอมาฟังพ่อครูรอบหลังๆนี่นะฮะรอบหลังๆก็หลังๆก็ปีปีปีที่แล้วกับปีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาไอตัวกระจิตกระใจตัวขนควายดูดายมาใช้เรื่องปารามัตนะมาใช้เรื่องปารามัดคือว่าไอจิตตัวนี้มันขึ้นอารมณ์ตัวนี้มันขึ้นไอเราทำไมไปใช้กับงานกับหมู่อย่างเดียวเราเอาสองตัวคู่ได้ไหมคือขนควายกับงานหมู่มีกระจิตกระใจกะปี้กระเป๋าแล้วก็ มขนกวาดมีกระจิตกระใจกระปรี้กระเป๋ากับการจัดการกับตัวเองแล้วก็การฟังเรื่องปรามัดได้ไหมฉันก็ตั้งใจอย่างนี้นะะพอตั้งใจอย่างนี้พอมาฟังพ่อครูก็ก็รู้สึกว่ามันสนุกนะฮะเวลาฟังธรรมนี่มันสนุกเออคือตัวง่วงเนี่ยไม่ได้สู้เลยมันไม่สู้เลยมันไม่มาให้สู้เลยทำไมมันไม่มาให้สู้เลยก็ว่าเรามีมีตัวยินดีมีตัวสนุกมีตัวพอใจนะฮะ ก็เลยคิดว่าเราได้มาฟังธรรมตรงนี้โดยเฉพาะร้อยเรียงเรื่องของสรรค่าสร้างคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนก็เลยคิดว่าถ้าเรามีกระจิตกระใจเราต้องทำไอ้สองตัวเนี่ยให้มันขึ้นคือต้นกลกับต้นหนหรือว่าพลังปัญญากับพลังปริยะมันจะได้มีแรงเพราะถ้าเราเองไปทางใดทางหนึ่งมากเนี่ยคนที่ชอบทํางานก็ทําแล้วก็ไม่ค่อยชอบฟังธรรมพอชอบฟังธรรมชอบเปลี่ยนแปลงปัญญาคิดมันก็ไม่ค่อยชอบทํางาน แล้วก็ไปเข้าข้างตัวเองมันก็เลยทําให้เหมือนควาย2ตัวที่ไอ้ตัวหนึ่งก็ขี้เกียจไอ้ตัวหนึ่งก็ขยันมันก็ทํานาไม่ค่อยสำเร็จแล้วเจ้าของก็เหนื่อยเจ้าของก็คือวิญญาณดีๆเราก็จะเหนื่อยร่างกายก็จะไม่ดีจิตใจก็จะไม่ดีก็เลยคิดว่าเป็นบุญของชีวิตนะฮะขอบคุณพ่อครูขอบคุณทุกท่านถ้าทุกท่านไม่มาเต็มที่อย่างนี้ภรรษาทิพยาราดก็คงไม่เยอะอย่างนี้แล้วพ่อครูก็คงไม่อยู่ประจํานานอย่างนี้ เพราะท่านมาพ่อครูก็อยู่ที่นี่นานพวกนีฉันก็ได้ฟังธรรมะเยอะขึ้นงานก็เยอะขึ้นเรื่องก็เยอะขึ้นกิเลสที่มันนอนนอนอยู่มันก็ผงกหัวขึ้นมาหลายตัวให้จัดการขอบคุณขอบคุณอ้าวอีก10บระวีหรือ15้าเอาอสิบหรืออีกอ่ะสิหรือห้านเลิกสิบหรือเซิกสิบ้าอ้าว่าง่ใครสมณะสิกขามาใครอยากได้อีก ไม่ยกมือรอเลยยกมือรอแล้วจะไม่กระโฟนจะได้ไปตามไปถึงไงเอาเอาเเร็วๆๆ เ, เ, เ, เ, เสียเวลาเห็นไหมใ น, ในช่วงรอนี้ก็ขอแทรกไปก่อนก็ได้ก็คิดว่าประเด็นหนึ่งที่พ่อครูสอนแบบสโลโมชั่นให้พวกเราฟังตั้งแต่รู้พยิษธารู้กายภายนอก แล้วเข้ามารู้เวทนานะแล้วก็เข้าไปหาสมุทยัยเข้าไปหาจิตคราวนี้เห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเหมือนกับพ่อครูเป็นเป็นรถแมพนะเป็นบอกทางเดินเอาไว้ว่าเวลามีผัสสะเนี่ยให้ใช้อย่างไรมีข้อปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไรแต่ามาเห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นเส้นทางเอาไว้เนี่ย ดูเหมือนว่าช่วงที่พวกเราจะหลงลืมมากที่สุดเนี่ยใครว่าช่วงไหนเนี่ยนะดูเหมือนว่าช่วงที่เราจะหลงลืมมากที่สุดแล้วก็ลืมปฏิบัติมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราเข้าประชุมกันนะแล้วก็เกิดการถกเถียงกันบางทีภาษาพระตั้งเลยว่ามันเหมือนกับการเข้าประชุมเนี่ยเหมือนเปนการเข้าสู่สงครามเหมือนกันพอมีแต่ละคนว่าจะตัวเองก็จะมีมีเรื่องมีเหตุมีผล มีสิงที่เราจะนําเสนอของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ท่านธีรัชท่านจะท่านไปตามหลายๆพุทธฐานเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเวลาเขาประ ช, ชุมเนี่ยมันเหมือนกับพวกเราลืมการปฏิบัติธรรมเลยเราทุกคนก็ทุกคนทุกคนก็จะเอาเหตุผลที่ตัวเองคิดเอาไว้เอาสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้เนี่ยผลักดันออกไปให้ได้พรอครูเวลาจะยินพวกเรา ยั้งกันไปยั้งกันมาเนี่ยบางทีพ่อครูท่านก็ท่จะบอกว่าเอา้เอา้าวอย่าลืมอ่านเวทนาอย่าลืมอ่านเวทนาแต่ตอนนั้นมันได้มีเวทนาแลนีมันมีมันมีแต่เหตุผลมากมายที่เราจะต้องผลักดันออกไปแต่เรื่องเรื่องนี้เอามาเป็นเพียงอยากจะให้อธิมายด้วยว่าการประชุมเนี่ยที่ไม่ประสบความสําเร็จนะการประชุมที่ยิ่งประชุมก็ยิ่งแตกแยกยิ่งประชุมก็ยิ่งมองหน้ากันไม่ติดเนี่ย รายเหตุหลักสำคัญก็เพราะว่าในการประชุมนั้นๆเนี่ยถ้าเป็นปาภาษาพัดทั้งนั้นวไม่มีสัญาสัญญาหรือไม่มีนักปฏิบัติธรรมสัญญาไม่มีสัญญาว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะอ่านกายภายนอกอย่างไรค่อยมาเรียนรู้เวทนาความชอบใจไม่ชอบใจเหตุผลคนนี้อพอพูดด อ, อกบ้าปุ๊บเราก็กวาดลงทะเลเลยเห็นหน้าคนนี้นะบางคนเนี่ยออมาเคยเขาเขาบอกว่าเขาข า, ขารู้สึกเนี่ย น้ำตกสันเตียโศกเนี่ ย, ไ ม, ยมมไม่ชอบเลยถามว่าทำไมไม่ชอบไม่ชอบหนวดเขาของไม่ล่มอย่างเงี้ยนะคือหนวดเขากข็ไม่ล่มเนี่ยมีผลก็โตไปถึงน้ำตกสันเตียโศกด้วยอะไรเงี้ยนะคือเราจะฟังแ ล, ล้วแล้วเหตุผลบางทีเนี่ยบางทีคนเนี้ยพอเราไม่ชอบหนา้าปุ๊บ <S <S เขาจะพูดยังไงยังไงเราก็จะไม่ชอบไม่ชอบอันนี้คืออันตรายของความชอบไม่ชอบความจริงน้ำน้ำตกสันเตียโศกเนี่ยสวยงามมากเลยแต่เราไปฝังเระเบิดความไม่ชอบ ภายในเอาไว้ต่อให้คนนั้นดียังไงต่อให้สิ่งนั้นวิเศษยังไงเนี่ยแต่คนแบบนี้ฉันไม่ชอบแล้วก็ทําสิ่งดีวิเศษยังไงเนี่ยก็พลอยมีผลกระทบไปด้วยนี่คืออันตรายของความชอบและไม่ชอบอันเวลาเราประชุมเนี่ยถ้าเรามีความชอบชอบมากนะและไม่ชอบมากๆตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดในในกลุ่มของชาวโศกของเราก็คือว่าถ้ามีเรื่องสุขภาพโยนมาทักตูมสักเรื่องหนึ่งเนี่ย ละเอียปฏิกิยาสองส่วนออกมาทันทีเลยนะพวกนึงก็จะอินสุดๆเลยนะจะดีมากสุดๆเลยแล้วก็จะยกทีมกันมาหาพ่อท่านนะมาบอกเลยว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะแต่ยี่พวกนึงจะตั้งหลักค้านแล้วพวกนี้มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วจะเอาแฟชั่นใหม่มาอีกแล้วนะพวกรู้สึกพวกกระแทกติด ก, กันรู้สึกลำคานนะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอยู่เรื่อยๆเลยนะพวกดนดับบี้ ก, ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆแต่เนี้ยเราปฏิกริยา ของสังคมของเราที่มักจะมีความชอบและความไม่ชอบเข้ามาดําเนินการแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าวันนี้ที่อยากจะเอามาสรุปตอนนี้ก็คือว่าในการประชุมเราเนี่ยเรามักจริงๆมันเป็นช่วงที่หลาจ เ, าเวทนาได้ดีที่สุดอ่านสมุดไทยที่เหตุอย่างต่อมานี่เอตะมาแต่ก่อนเนี่ยมันจะถือสา ม, มากเลยคนที่รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยตรงพูดโกหกนี่นะถ้าเรารู้สึกเนี่ยเรารู้สึกว่าคนแบบนี้อยู่คนละโลกดีกว่าอะไรเงี้ย เราก็จะจิตมีผักแล้วก็รุนแรงเราจะแสดงออกไม่ชอบมากมากเลยเอาเรื่องเอาราวได้ก็ตามเอาเรื่องเอาราวถึงที่สุดอะไระกัดไม่ปล่อยนะแต่ว่ามาดูหนังญี่ปุ่นมาดูหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่เขาสะท้อนถึงชีวิตลูกสะภ้ยกับแม่ผัวเนี่ยแม่ผัวลูกสะภ้ยเนี่ยพอดีเขามันเกิดว่าครอบครัวนี่อ บ, อ, บอุ่นมากแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าเด็กที่ออกมาเนี่ย จริงๆไม่ใช่สายเลือดของคนตระกูลนี้และแม่ผัวก็ระแคะระคายและพยายามที่จะตามจับให้ได้ว่าคาดคันให้ได้ว่าลูกสะพ้ยเนี่ยไปไปผิดมาอย่างไงไปได้นี้ขึ้นมาอย่างไงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องความมาฆ่าของแม่ผัวตลอดนะี่อาัตามาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้แม่เหมือนกับตัวเราเองเลยนะี่คือคือคื อ, คอไม่พยายามจะฟังเหตุผลความจําเป็นของลูกสะพ้ยว่าเขามีความจําเป็นอะไร แต่รู้สึมันต้องตามเอาเรื่องราวให้ได้ว่าไปนอกอกก็นอกใจไปเอาลูกนอกไสมาเอามาปนความปนได้ยังไงอันนี้ก็คือว่าเราก็ต้องวิเคราะห์สมุทไทยที่พ่อครูบอกว่าเรืองความชอบความไม่ชอบเรามีสมุทรไทยมาจากปัญหาราคาสาราคา้าซาโทสะสามโมหะจากเขตปัจจัยอะไร น, นี่ก็คือวิธีอ่านที่พ่อครูพูดถึงว่าเป็นสเต็ปสเต็เตจากภายนอกเข้าจากกายเข้ามาหา เวทนาเข้ามาหาจิตของเราได้อย่างไรนี่ซึ่งในการประชุมเนี่ยถ้าเราใช้พวกเหล่านี้เป็นเนี่ยมันจะทําให้พูดกันรู้เรื่องกันมากขึ้นพูดแล้วก็สามารถรับฟังกันได้มากขึ้นแล้วหาทางที่จะคลี่คลายออกไปได้ยังไงไม่ใช่เพราะประชุมทีไรก็ก็รู้สึกว่าโ อ, อย่าไปประชุมเลยน่าเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยนะครเพราะว่าถ้าเราเอาหลักนี้ไปใช้ในการประชุมมาตรสมารถิดว่าจะทําให้การประชุมเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้น สายเลือดปริศนาเขียนว่าจําชื่อหลังนี้ได้เลยนะ <c oughs> มาจําได้แต่แม่ผัวอย่างเดียวอะ <c oughs> การนมัสการพ่อท่านครับสมณะครับผมภาพปรีดีครับอยากไอ้ที่รูปนอกนี่พอเข้าใจนะรูปในก็เข้าใจแต่ตัวที่ไม่เข้าใจคืออารูปครับอยากไดถามพ่อท่านเลยครับตัวนี้มันอยู่ตรงไหนครับ มันมีอาการยังไงครับมีข้อเดียวครับขอบคุณครับจำไว้วันนี้ไม่ไม่ใช่ตอนตอบแล้วตอบไม่ได้แล้วหมดเวลาอรูปคือตัวไหนมันยังอธิบายไม่ถึงเท่านั้นเองก็ค่อยไล่ไปตามๆไปอย่าใจร้อนในอธิบายแน่อรูปน่าีแค่นั้นเดี๋ยวแค่นั้น ไ ว, ไว้ต้องต้องเอาไว้มันอธิบายยังไม่ได้หรอกอรูปมันต้องอธิบายตั้งแต่การ ม, มาพบรูปประพบอรูปประพบนะแล้วมันจะซ้อนอรูปเนี่ยมันจะซ้อนภายนอกไปถึงภายใน่นไม่ได้หมายคำว่าอารูปคือมีแต่อรูปข้างในเลือกละเอียดแต่ไม่เกี่ยวกับข้างนอกไม่ใช่ของพูดนี่เกี่ยวหมดเลยจะมาข้างนอกอยู่ก็ต้องมาได้ อยู่ด้วยไม่ใช่มาได้เราอยู่ด้วยข้างนอกก็อยู่แล้วก็มาข้างในอะไรนี่เป็นต้นมันเป็นตัวลึกละเอียดอารูปหมายความว่าส่วนปลายส่วนที่เหลือแล้วส่วนน้อยแล้วส่วนที่ไม่อารูปมันไม่นนชนะมันก็คือสิ่งที่ถูกรู้นะรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่มีภาษาจะเรียกว่าเนี่ยมันไม่มีรูปแล้วมันมั น, มน มันก็ยังรู้อ่ะมันยังรู้อ่ะมันอารูปอ่ะมันไม่มีภาษาจะเรียกที่จริงมันก็คือสิ่งที่ถูรู้นั่นแหละแต่มันละเอียดเบาบางน้อยที่สุดะถ้าสุดท้ายอารูปหมดก็หมดไปเป็นตัวสุดท้ายเป็นพลังงานเศษสุดท้ายในระดับตรวจตราอันสุดท้ายถ้าจะนับอารูปก็คืออย่างอารูปฌานเงี้ยระดับว่างแล้วอากาศาว่างแล้ว วิญญาณก็คือธาตุรู้สะอาดสะอาดไม่มีอะไรปนเปไม่มีอะไรไม่ทําให้เขาเศร้าทำมัวต้องมองอะไรวิญญาณแท้แต่มันมีอะไรเศษไม่ตรวจสอบอกินจันทร์คือส่วนนั่นแหละส่วนที่มันมาไม่อยาให้มีนี่แหละมันยังหลงมีอยู่เปล่ามันมีสามลักษณะหนึ่งเป็นสภาพว่างหรสภาพบริสุทธิ์และอีกตัวหนึ่งคือตัวธาตุจิตจิตบริสุทธิ์ก็ไอสิ่งที่มันเป็นอีกอันหนึ่งอากาศว่าง จิตว่างนี่เป็นต้นมันคนละว่างนะว่างนี่มันสนคื อ, อยังไงอาการว่างนี่มภาษาภาษาที่จะอธิบายมันเกือบจะไม่มีแล้วก็มาถึงวิญญาณแล้วว่าตรจสอบอีกอกินจันทร์ตรสอบอีกมันจะเหลืออะไรอีกไม่ทุลีรอองตรวจสอบไม่มีไอ้ไม่มีนี่คือตัวสภาวะในวัฏยานาฏยารต์ตรู้ต้องรู้เหี้ยมอดระมูรู้สามอย่างนี่แหละรู้จนก็ตทั่งมันตรวจแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกแล้ว มันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่ทุกอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์จนที่สุดถึงบรรลุสรงสุดนั่นคือขั้นอรูปคืนเนี่ยอย่างตัวอย่างอารูปฌานเนี่ยมันก็อธิบายได่ง่ายนิดนึงมันเป็นพอรู้กันอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นหลักเกณฑ์เก่าใช่ั้ยก็พออธิบายได้ง่ายขึ้นมันก็จะต้องรู้ต้นกลางปลายทึ่จะไปรู้ อ, อัรูถ้ามันต้นก็ไม่รู้ กาก็ไม่รู้ไปเอาอารูปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเป็นที่เทียบที่เคียงที่เป็นตัวตั้งตัวรองตัวเปรียบตัวเทียบเลยมันก็เวิวางนะเอาเดี๋ยวค่อยๆ อ, อ, อธิบายไปเรื่อยๆอาจจะอสโตรโมชันอย่างจริงๆว่าะอะไามีเรื่องมีรามีต๊วยกตัวอย่างมิเกละครมีตัวตนมีโน่นนี่คือใครไรอมันก็เดี๋ยวจะได้เข้าใจไปเรื่อย อตอนนี้มันไม่ใช่15นาทีมันสองทุ่มยินาทีแล้วนะเพราะงั้นก็หมดสิทธิ์แล้วทุกอย่างนะยังเหลือแต่คำว่าจเจริญธรรม Go to bed <laughs>